เยานพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ฝ่ายธรรมทุกท่านวันนี้เราก็มาสนทนาธรรมถามตอบคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติทานศสียงภาวนาท่านที่สนใจก็ขอเชิญเข้ามาร่วมสนทนาได้วันนี้เราก็เริ่มต้นกับเด็กชายพีเคเหมือนเดิมวันดีครับ กลับนมาสการครับพ่อจันหนูอยากอยู่ญี่ปุ่นนะอยากจะอยู่เมืองไทยอือ ม, มือญี่ปุ่นครับนะทําไมนะเพรมันมีมันมันหนาวแล้วก็ชอบหนาวคาารับพ่อจันอ๋อชอบอากาศหนาวเนะอืมเพราถ้าร้อนเดี๋ยวอืมออกไปเล่นเครื่องงอกไม่ค่อยได้อืมแล้วหนูพูดภาษาญี่ปุ่นได้เปล่า ได้ขอพออ่อจังอ๋อวาษาญีพูนกับภาษาไทยอันานถนาดอะไรกันนะทั้งสองเลยขอพออ่อจังทั้งสองเลยกเก่งนะก็ดีแต่วันนี้หนูจะมาสอนวันให้ฟังกันบ้างใช่ค่ะอาละฮังไม่อาลาังซ้งำมาก็สุดโต่งแล้วมัดนั่นแล้วแตู่กเลยอะตอนที่เรแต่เาดีดสิลูก n a ม a ติสัพพะโกฏอัลัสโตส m มสัมมุต e สานามุติสัมภะโกฏลัสโตสามสัมมุติาะโกมุติสาเศษสุพเทภ น้ำมันปุ๋ยสัตว์ต้องดีมาเองที่ไปก่อนน้มัุ๋ยสัตว์ต้องดมาเอกนัสสกินกัลยนะคัดสิ่งที่ดีน่งฉนังคัดสิ่งะเดสิกินกัลยนะคัดสิ่งที่ดีฉนนั่งฉนนัมอาุน้ำมมุนม่ลักษณะฉันแต่ผมมุทัศน์แต่วมืตัพชวิตสวจิตเมตาในพันธสัว์ททววอะไรเนี่ยวอะไร่าจะำวอะไรคไม่เคยได้ยินเลย สวดคาถาเหรอเฉยเฉยไม่ใช่สวดบูชาพระพุทธเจ้าใช่ไหมสวดคาถ mm hmm. าพระพเจรคาถาอะไรชื่อว า, าอะไรมีคาถาอะไรบ้างบอกพ่อฉั น, น mm hmm. ดิอืมดีดีดไม่รู้พระพเจ้าปู่อะไรท <Yeah. S 1> ว่ทำไมไม่สวดพระรัตนตรัยอินทรปิโสภควาได้ไหมอ่ะสวดที่อินทรปิโสไม่รู้ ไม่รู้โอโหกระ เ, <โด S 2> เป๋าเรียนสอน ไ, ได้เลยอีทิพิโซฟะกาวะอานะฮันซันมาไม่รู้จะไม่ได้โอ้อะโอเคไม่เป็นไรโอเคไม่อะไรแ<ห>ม่จะบอกไหมหมีอะไรบอกไหมไม่มีขอพ่อเชิญโอเคไม่ได้แม่มีอะไรมาไม่มีอะไรค่ะพระอาจารย์มากับนมันสการพระอาจารย์เจ้าค่ะ โอเคให้ฌานไเจริญ น, นะฌานทุกค่ะพระอาจารย์ช่วงนี้ยังไม่ได้ค่อยปฏิบัติค่ะมันเป็นอาทิตย์เว้นอาทิตย์เลยค่ะพระอาจารย์อย่างอาทิตย์ที่แล้วปฏิบัติ ท, ทุกวันอาทิตย์นี้เวลาลดลงมันมันมันมันฟุน้งก็เลยลดเวลาค่ะพระอาจารย์เออมันก็มีขึ้นมีลงเป็นอนิจจังอ่ะ น่าจะมีความขี้เกียจด้วยก็เลยมันมันมันพอพอจับโทรศัพท์แล้วมันมันเผลอติดนะคะพระอาจารย์ 1. แล้วพอเอออีกเดียวอีกเดียวนึงก็ได้พอจะมันนั่งสวดมนต์จะมานั่งสมาธิโอยง่วงแล้วก็เลยเออเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก็ได้เพราะตอนเช้าก็มีเวลาทํานิดเดียวค่ะพระอาจารย์นั่นละกิเลสมันคอยดึงเราไว้ไม่ให้ให้เวนว่าตายเกิดไปเรื่อยๆอืมค่ะกิเลสเป็นอย่างนี้นี่เองเลยคิดตอนแรกก็ ก็ไม่เข้าใจนะคะว่าทําไมพระอริยสงฆ์หรือว่าพระสายป่าถึงต้องเข้าป่ากันพอได้ลองไปแล้วเ อ, อเข้าใจแล้วค่ะว่าที่ในป่ามันไม่มีอะไรให้ให้ดึงให้แบบให้วอกแวกได้เลยใช่มันกิเลนน้อย่อสิ่งที่ไปยุยุค ก, กิเลนมันไม่มีค่ะก็แล้วแต่นะจะอยากจะไปทางไหนก็เลือกเอา พังเทศพังธรรมมากพอแล้วพ่ะอาจรย์เลือกเรื่องแล้วค่ะขอเดินตามทางพระพุทธองค์แล้วก็ตามทางที่พระอาจารย์สั่งสอนเจ้าค่ะไม่ต้อตามเราหรอกตามพระพเจ้าต่อค่ะพระอาจารย์โอเคแล้่าให้พระอาจารย์ท่านแข็งแรงนะคะค่ะทุกท่านค่ะน้องเลนน้องเลนครับสวัสดีครับส่งกันบ้านอรไรยัง กลับนะวัชตาลพระอาจารย์เจ้าค่ะใ่ากค่ะพระอาจารย์ถามอะไรหลวงตาถามอะไรอะไรๆทาการบ้านยังอ้าวเร็วสมการบ้านพระอาจารย์เลยน้ำมือตาต่างเข้าตัวอะไรตสมาธิตะวน้ำมือระับก็ตัวอะารตัวสมาธิศสน้ำมือาต่างอ็ตัวอะไรตัวสมาธศาผู้ชาช้าช้าช้าลูกอ่ะอะรัวสมาธิบุก็คือว่าพูดทางข้อความตั้งอภิวาทิมิอุ้ยระวังอ่ะ สว so so ัสดีตะก็ตาทำมือทมางานประชามิก็ต้ส้างกสรงก็ร้าอาวุธยิ่งไปช่วยามาวิชากาสาวันธสุขตัโลกันจุอาทย์ราิบัมัชิดทที่ะนาลกงวาดวัสสวัคะโต๊ะค่คาว่าตาทหมดอทำมืองานสาธิสาิกูอกกะกูเอิตปฏิโกปนัยกูปฏิการมีที่แต่พวินุเอติสุภา ปดิปันโนก็ตัวเสวกกัุเสวกขุ่ชุ่ปิปันโนก็ตัสวกกสวกแล้วยายาปดิปันโนก็ตสววัเสวรามาเมตตาเมติปฏิปันโนก็ตัวเสวกอส่แต่สิจะะนีบุิสอะ่าลาท่าัค่ะบุิสอะไรจะอุลิ แต่อยู่คาราเอะหาดฟ้าขาวตุ๊กสาก็ต้องเออหัวเนืออยู่อยู่ปาหัเนื้ออยู่ถ้ากินเนอยอาจะรีกระแลนิวอันุแต่เราวจะเก็ตังก็ทาบะกิอือไ ม, ม่คงแก่มินธมรารจะรกมนทองแก่ไปไม่ได้หลังนี้เก็ชไม่มรรมาระหลลความเจ็บแช่ไปไม่ได้มีคนตายธ ม, มรารแต่ลูกทองตายไปไม่ได้เราจะต้อง อาจะต้องแล้วผลของกรรมนั้นตามีกรรมต่อตัวเราจะต้องแล้ผลของกันอันอ็นเกิดมีกรเป็นดเกิดกรเป็นที่ผู้น่าใส่มจกรได้อันนีก็เป็นของพันเรื่องเาจะทากรรมอะไรดีถึงจะเราตามต้งเราเปิดออกกันต่อเลยครับโอเกิร่้านางเนี่ยจะดูดีดูมัตเนใชหรอเ่า อ า, าอาหะไเยอะด้ไหมหอันดีนเหือน้ำสไลด์น้ำเรือน้ำเรือดเอดน้ำตาน้ำมะเหลวน้ำลายน้ามูกน้าไข้ข้อน้ำมูกนูดอืเก่งมากไรไหมเหนื่อยมตาอแผลไม่ตา มันรู้สึกยงม่อเจ้านด็กทาแล้วภาพจะก็เหงาวส่วนรกุลนันจะมจักรจราก็ช่วสเวลาโลกในอกจักรนแล้วสัทั้งหลายม่จะเกิตใจแล้วกันนำมือตัวนี้เนื่ออย่างมีแมออะไร่้ป่ายกันแล้วก็มาจุ่มในปุ่มีคุณุกมจะปแต่ดแต่ลตอะระอาจารกษาตามเรายนันเปตัวครับอ่าเก่งมากส่วนทุกคืนนะ่ โอเคครัอืมเป็นไรครับหงตามไม่ลูกค่ะ <c oughs> <c oughs> ขอบขอคุณครัคุณอาจารย์มากเจ้าค่ะวันนี้คุณพ่อคุณแม่ไม่มาเลยเออน้องลุกอาบน้ํายังไม่เสร็จเจ้าค่ะกลับมาแต่ ว, ว่ามาเข้ามาไม่ทันเจ้าค่ะอืมค่ะโอเคมีอะไรไหม ย, ยังไม่มีแตโยมหนึ่งก็ปฏิบัติเอ อ, อยู่ทุกวันค่ะ ตื่นมาก็ตื่นตีสามกว่าก็มาเดินจงกรมแล้วก็นั่งสมาธิเหมือนเดิมเจ้าค่ะยังทําอยู่เหมือนเดิมเจ้าค่ะพระอาจารย์มแล้วก็มองเห็นความเกิดดับแล้วก็ก็ทุกอย่างก็เป็นไตรักอะค่ะพระอาจารย์แล้วก็ปล่อยฟ า, างได้ทุกๆเรื่องเจ้าค่ะทุกอย่างเป็นทุกข์ใช่ค่ะพอาจารย์ค่ะขอบคุณค่ะคําสอนพระอาจารย์อยู่ในหัวใจตลอดเจ้าค่ะอสาธุสาธุค่ะพระอาจารย์สาธักรับพระอาจารย์ก่อนลูก กับดรงตาก่อนรับพระพูดกับไป่ทีกับสวยสวยกับพระธรรมรค่ะขอให้พระอาจารย์ได้ขันแข็งแรงนะเจ้าค่ะใช่สาธุเจ้าไปที่จะมาแก้เจ้าที่ต่อขับกลาบนับัชการพระอาจารย์ครับขับมาส่งกันบ้านเช่นเคยครับ่ามาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล้มพ้นความแก่ไปไม่ได้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 เราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกำนังั้นสือไปเราทั้งหลายควรจะละลาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเธโอเคอย่าลืมนะครับแล้กระ้างกายเรามีอะไรบ้างมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกที่ใ น, นกระดูกมา้าหัวใจตับผังเพิดาต ปอดไ้ใหญ่ไ้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่ายี่ในสมองศีรษะน้ำดีน้ำเสลตน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเงื่อน้ำมันข้นน้ำตาน้ำมะเหลวน้ำลายน้ำมูกน้ำไข่ข้อน้ำมูดน้ำมูดน้ำไข่ข้อน้ำมูกน้ำลายน้ำเหลวน้ำตาน้ำมันข้นน้ำเงื่อ น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเสร็จน้ำดียื่ในสมองศีสัอาหารเกา่าอาหารใหม่ไ้น้อยไซใหญ่ปอดไต้พังผืดตับกัวใจม้างเยื่อในกระดูกกระดูกเอน็นเนื้อหนังฟันเล็บขนผมมีตัวเราไหมเป็นตัวเราหรือเปล่าไม่เป็นครับ อไม่ใช่เราเนอะครับเอาไว้ให้เป็นร่างกายใช่ไหมใช่ครับโอเคปล่อยวางร่างกายได้ไหมได้ครับอ่าเนาะต้องปล่อยนะอย่าไปยึดอย่าไปติดครับปล่อยให้แก่ปล่อยให้เจ็บปล่อยตายครับอืมปล่อยด้วยสมาธินั่งสมาี่ได้กี่นาทีแล้วในนี้สี่สิบห้านาทีครับอืมนะเวลาร่างกายเป็นอะไระก็เข้าสมาธิไป ทำใจเฉยๆครับถ้เราจะไม่ทุกข์นะครับโอเคมีอะไรจะกจะทำไหมไม่มีครับก็พยายามปฏิบัติอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะอ ย, อย่าหยุดอย่าเลิกนะครับโอเคสาทุกครับรลาเพอะคุณพระอาจารย์ครับเอ่อไปที่คุณตายต่อคุณตายเชิญ น้อมกลับนมัส ก, การค่ะพระอาจารย์วันนี้มาเข้าห้องเรียนค่ะห้อในห้องนี้มีตั้งแต่เด็กตั้งแต่อายุส4 5ี่ห้าขวบนะยังนึนชมในใจเลยว่าเด็กๆ เ, เข้าห้องสูบห้องนี้ก็อนาคตไม่ต้องห่วงเลยเป็นคนดีแน่นอนเป็นคนดีมีคุณภาพแน่ๆม่มแน่นอ น, น, น, อ, นอนาคตเป็นโคตรไปโคตรมา แต่แต่ว่าปลูกฝังในสิ่งที่ดีก็น่าจะเป็นต้นไม้ที่ดีต่อไปนะพระอาจารย์ก็ดีนะได้ปลูกฝังไว้ดูว่าเขาจะรักษา <3 S 2> ไ, ได้เปล่า <c oughs> วันนี้ก็ไม่มีอะไรคะ่ะส่วนตัวก็พ้ายามปฏิบัติอยู่ค่ะพระอาจารย์ก็ไม่กินข้าวเย็นวันที่สามแล้วค่ะอาทิตย์นี้ค่ะ <c oughs> แล้วก็นั่งสมาธิทุกคืนได้อยู่ค่ะพระอาจารย์ก็เริ่มก็ ร่างกายมันก็ปรับของเขาไปเองนะว่ะอาจารย์มันก็จากที่สิบนาทีสามสิบสสิบได้แล้วค่ะพระอาจารย์ได้อยู่ที่ความพยายามของเราค่ะก็รู้สึกว่าดีขึ้นเรื่อยๆค่ะใจก็ใจก็สงบขึ้นก็ดีขึ้นนะคะพระอาจารย์ อ, าอาะาอพยายามรักษาการปฏิบัติให้มันสม่ำเสมอนะ เจ้าค่ะพระอาจารย์ให้เป็นกระต่ายอย่าเป็นกระตายให้เป็นเต่าดีกว่านะะอาจารย์พูดตั้งแต่สมัยโนแล้วยมก็ยังไปไม่ถึงไหนเลยนั่นแล้วก็แต่ก็ยังยังอยู่ในแนวนี้อยู่ยมก็รู้สึกดีใจนะค่ะพระอาจารย์พยายามไปเรื่อยๆค่ะค่ะวันนี้ไม่มีอะไรส่ะพระอาจารย์ค่ะขอพระคุณครับสาธุครับคุณอนันต์นงเทนคุณอนนต์นง เป็นไงหายหน้าหายตาไปไหมาโอ้ยน้ำมัสการนะคะจานยงรู้สึกเก่งมากเลยไม่เบี่ยงยงนี่ไม่เี่ยงยงไม่ต้องสารภาพบาปไม่เป็นไรปฏิ <S <S บัติบ้าไม่ต้องปฏิบั้างแต่ว่า<ม> <S <S รู้เลยว่าใจเวลาเราไม่สามารถทําได้ตามสัจจะมันจะมวนหมองมากเลยมันกับโอ้ยทําไมเรารักษาสัจจะ ก, กับตัวเองไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าไม่ได้ไม่ได้ต้องแข็งแรงให้มากกว่านี้อก็ พอหยุดยุ่งก็พยายามกลับมาชาร์จพลังด้วยการปฏิบัติเพราะรู้สึกว่าไม่มีอะไรที่ทําให้ใจแช่มชื่นได้กับเข้ากับ ก, บการภาวนาจริงๆว่าจันเอองอื่นมันยังเหมือนแบบก็ก็เป็นบันไดแต่ว่าพอเวลาเราได้มีโอกาสสงบแล้วภาวนาเนี่ยมันเหมือนกําลังมันจะดีขึ้นมามีใจที่แบบเออรู้สึกว่าแช่มชื่นกว่าแต่เวลาเรารักษาสัจจะไม่ได้นี่หมอนมองมากเลยนะ เราต้องพิจนารณาก่อนที่เราจะตั้งสัจจะว่าเราทำํำได้ไหมเป็นที่ใหญ่จะตั้งแบบให้มันแบบเหมือนท้าทายตัวเองนิดนึงเพราะฉะนั้มันง่ายอย่ามันเหมือนแบบอโอ้ยอันเนี้ยเราก็ทําได้แน่ๆมันเห็นอยู่แล้วออเออไปนิดเดียวก็หยิบมาได้มันก็เลยอยากให้แบบเออเราต้องท้าทายกับตัวเองหน่อยเพราะว่าอย่างที่พระอาจารย์สอนกิเลสมันก็เก่งๆวพอกันเราก็ต้องพายายามแข็งแรงในตรงนั้น ก็เลยเอ้ยเนี่ยก็เลยก็เลยต้องยังต้องยยพยายามค่ะก็มีการพยายามต้อขว่คาใช่ค่ะต้องอย่างนั้นก็ต้องคอยวอกตัวเองว่าโอ้ขนาดเรื่องทางโลกยากกว่านี้ทาไมเราทําได้ไอ้ตอนทางโลกนะยากยากความเพียรนี่พยายามอ่านหนังสือมีสมาธิเป็นสิบสิบชั่วโมงนั่งสมาธิเรไม่ทางโลกเไม่มีฝ่ายต่อต้านอะไรง่ายนีโยงก็นนนกยังเราทางธารมนี่กิเลสเริ่มตั้ง ตังท่ตั้งท่าต่อต่างเราความยากตรงที่กิเลสเนี่ยมาสร้างอุปสรรคให้กับเราสั้งเหตุเหตุจูงใจต่างๆกันมาคนส่วนใหญ่มักจะพูดเวลาจะทําความดีแต่ละครั้งเนี้ยว่าทำไมมันมีอยูุ่ปสรรคเยอะไากเกินใช่ค่ะแต่ว่าแบบอย่างแต่ว่าบางทีพอมันมีเหตุอย่างเงี้ยที่แล้วยังมีเหตุว่ามีคนรู้จักห่างๆแล้วแต่ว่าเขาอายุน้อยสามิบสองเกิดอุบัติเหตุตายทันทีกับแมวที่บ้าน จะไปหาหมอไปวางยาพุกตายทันทีโยมก็ชีวิตมันเปราะบางมากว่าเจนจนโยมแบบโอ้โหนี่แบบเนี่ยมันคือถ้าเราประมาทนะนิดเดียวมันก็มันก็มันไปได้ทุกเวลามันไปได้ทุกเวลาจริงจริงทุกวงใจเข้าจริงมันเลยกลับมาแบบเมือพอยิงตรงนั้นที่เลยเราจะโอ้ยจะจะทํามันโผลขึ้นมาว่าเนี่ยมันมันเปราะบางแค่นั้นเองไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่หรือแค่ไปหาหมอเพื่อจะทําหมันวางยาแล้วไม่ตื่นเลยมันต้องแมวอ่ะ เราตกใจอะไรเงี้ยเขาก็ทุกชีวิตเปราะบาว่าจนถ้าเรามัวแต่ประมาทเนี่ยเราอาจจะหายใจเข้าเราไม่หายใจออกก็ได้อะไรเงี้ยคือมันก็กลับมาเตืนตัวเองอย่างเงี้ยตลอดเลยแม่สาวนะก็เลยว<า>่ามโนานัสตินี่เป็นยาที่จะกระตุ้นใช่คราคตื่นตัวให้เรารีบเร่งควาอันนี้อันนี้เป็นยาที่ดีมากจริงจริงมโนนัสตินี่สําหรับโยคิดว่าแบบ ผูกจลิตหมายความว่าเอามาคิดที่ไรก็เอามาน้องคิดที่ไรก็เตือนกระตุ้นเตือนได้อยู่ยตลอดเวลาวันนี้ก็เลยเตือนบ่อยๆก็ได้ไม่มีข้อห้ามก็เคยคิดทุกเรื่องเลยค่ะไม่ว่าจะทานทําทานอะไรเงี้ยโยงคนชอบถามโยงว่าทําไมทาทานตั้งใจทํามากขนาดนี้บอกว่าเอาเกิดพูดนี้ไม่เตื่นเช่นจเจอเงินที่เหลื อ, อ ม, มันไม่มีคนมาทําให้หรอกนะเราก็เราก็แบ่งไปเลยถ้าเราคิดว่าเราจะทําทําเลย องมว่าก็มีมีหลักประกันไหมล่ะไปสู่สุคติก่อนนะใช่อ่ะมันเราจะมัวคิดว่าโอ๊ยเดี๋ยวอีกกี่วันกี่วันจะทําอ๊ยเกิดพรุ่งนี้ไม่ตื่นนี่ก็ไม่ได้ทำแล้วอะไรอย่างเงี้ยคิดจะทําก็ทำเลยเลยถ้าบอกจะคิดจะทําทําดี้เมื่อไหร่ทําเลยอย่าไปผันวันประกันภัยใช่ค่เพราะว่ามันเพราะมันมันอย่างนั้นแล้วสำหรับโยคือเนี่ยพอเราคิดด้วยมรณานุสติมันเลยเหมือนคอยกระตุ้นเตือนว่าถ้าเราคิดจะทําเราทําเลยไม่มี ไม่มีแบบว่าขัดนะสาหรับอันนี้จริงๆแล้วเด็กๆก็จะชอบถามตายแล้วทำอะไรไม่ได้แล้วจริงว่าใช่พอตายแล้วอยากจะทําก็ทําไม่ได้แล้วก็เลยอันนี้ก็เลยเป็นรู้สึกอันนี้จะถูกถูกจริตมากกับการเวลาเราพิจมรณานุสติเอามาใช้เตือนอยู่ตลอดก็ให้อยู่ในทางธรรมเนี่ยทานศีลภาวนาเนี่ยทำระลับไหนก็ก็ได้แต่ก็ไม่ทําเลยใช่หมอาจา นิยมก็เลยพ่ต้องได้เข้ามากราบพระอาจารย์เพราะว่าอเรารู้ถึงมาก่ะอืวเนี่ยค่ะก็เลยวันนี้ก็เลยขอเข้ามากราบสักการแล้วมาฟังทุกๆคนค่ะแลรู้สึกชุ่มชื่นใจค่ะได้เห็นทุกๆค น, นี่ค่ะพยายามรักษาความดีไว้มันเกินรักษาความเพ็ียรแล้วกันนะพระภาจารอ์ใชคะ่ะพระอาจารยา์ทานศีลภาวนาอย่าทิง้ง อช่ค่ะก็ยังต้องค่ะทั้งสามอย่างค่ะอาจารย์มันเป็นบันไดที่เราก็คงต้องขึ้นมันไว้อย่างนี้แหละะรักษาทั้งสามส่วนอย่าอย่าให้ถอยให้ถอยก็แล้วกันมีแต่เพิ่มขึ้ก้าวหน้าไปเรื่อยๆแต่รักษาตรงนั้นไว้อย่างที่อาจารย์สอนเสมอค่ะอาจารย์ใช่ค่ะมีคำถามอะไรไหมวันนี้ ไม่ได้ไม่มีคําถามอะไรขยากเข้ามากราบค้ะส่งอะไรงานตัวรู้ว่าใครไปนานมาทักทายเพื่อนๆนะมาทักทายเพื่อนๆค่ะบางบางคนก็มีไปเจอตามตามที่งานบุญบ้างนะคะมีมีไปทักทายกันนอกซูมอยู่บ้างอ่าก็ยังรู้สึกว่าโอ้เวลาเราเข้ามาในทางสายเนี้ยมันก็จะไปเจอกันในวงวงวงวัวงวีนั่นแหละวงเดียวกันงวงเดียวกันครับใช่ค่ะ เหมือนคนที่คล้ายๆกันสนใจในสิ่งเนี้ยมันก็จะได้ไปคบกันอยู่ดีใช่ค่ะอือเป็นอย่างไดีที่ยัเป็นคนโอเคนะค่ะขอพระอาจารย์ทัดขานแข็งไว้นะคะยินดีที่ได้กลับมาทักทายกันค่ะอาจารย์ยินดีเช่นกันค่ะอึงค่าน้องตอบอืมเป็นอย่งไรยองที่ปฏิบัติได้ย่างคนี้ แพผนว่าจะจองวันศุกร์หน้าค่ะอาจารย์แต่ยังไม่ได้จองไปแต่ลางงานไปแล้วค่ะช่วงคืนสามวัน <laughs> ใช่ค่ะโอเคพยายามทาบ่อยๆจิตใจจะมีความเข้มแข็งมีความกล้าหาญมีความสุขมีความสงบเมันเป็นการออกกำลังใจ ทำไมในคนเขาเน้นย้ำวิ่งกั น, น, กนออกกำลังกายกันไปื่เอเห็นคุณค่าของสุขภาพของร่างกายแต่เขาเลยไปาว่าเราต้องมีคนสุขภาพจิตของเราก็ต้องดีด้วยดีด้วยการภาวนาจิตเราเนี่ยจะต้องอาศัยการภาวนาเนการออกกำลังกายออ ก, ออกกำลังใจจิตจะมีกำลังมีสติมีสมาธิมีอุเบกขาที่จะสามารถสู้กับอารมณ์ต่างๆได้ อืมโอเคมีอะไรไหมไม่มีค่ะเข้ามากาวคะ่ะโอเค<ช>อันนีก่อนนะน้องงานต่อคุณแนน <c oughs> คุณดอนรู้ <c oughs> ค่ะรับมาใช้แค่แต่อาจารย์รู้ไม่มีคําถามเจ้าั่ะโอเคงั้นไปที่คุณสาธกาเชิย์รับฟังคำค่ะอาจารย์ไม่มีคําถามค่ะโอเค อาจารย์รหมพิไลกลั บ, บปปน้อส ก, การ์พระอาจารย์ค่ะกลับน้อสการพระอาจารย์ครับอวันดีสบายดีนะสบายดีครับมากลับประจําสัปดาห์มาเลยนะตัวยังอยู่นะยังไม่ได้ไปก็ล่อแล้วล่อแล้แต่ก็โอเคครับ มีคนเขนานำ่าคนอายุวัยนี้แล้วต้องเอาแค่วันต่อวันนะไอ้ <c ười> ิดไกลไปไม่ได้โบนัสทุกวันทุกชเช้าทุกเช้าตื่นขึ้นมาบอกโอ้ oh, เราได้กำไรเลยสุดท <c ười> ี่ได <c ười> <Yeah. S 2> ้ถูกทำบอก w h a the beautiful day บอก every day every morning is a bonus <c ười> อ, อยากไปวังอะไรมางนะจาก <Yeah. S 1> จากชีวิตมันได้อยู่ไปวันวันยัถือว่าเป็นบุญ น, นะเราได้เห็นหน้าจาร น่าพระอาจารย์สุดสายดีนะฮะอืมเหมือนกันเหมือนกับกนศีรษะแล้วมั่ก็ไปสุดสายเห็นเพื่อนแต่ละคนที่หน้าตาหอเหียวอืมไปตามว้ยค่ะไปตามว้ยโอเคค่ะไม่มีคำถามทำข้อบกพร่องค่ะกายแข็งแ้งตั้นการและจิตใจนะค่ะพระอาจารย์ท่ากันแห่งแรงค่ะน่ะ ที่เซ <Okay. S 1> น, นีนต่ายังไงวันศุกร์นี้ได้ข่าวว่าตกเยอะเลยเลยอ่าทองใช่ไหมคะพระอาจารย์ใช่ค่ะรวมเป็นรวมๆแล้วน่าจะหมื่นหนึ่งเลยนะคะพระอาจารย์จากแปดหมื่น <100 00 S 2> ไปเจ็ดหมื่นโอลงนักนเลยนะใช่ค่ ะ, ะก็แตบบ่ว่า แม่ไม่ได้ไม่ได้ซื้อแถวบนบนแถวนั้นไม่ได้เล่นเร่งนั้นแม่แม่เป็นจะดูเฉยๆไม่กล้าแตะใช่คะแต่ว่าแต่ว่าตอนนี้ตอนนี้อัธรรมชนะค่ะพระอาจารย์ช่วงช่วงนี้อกรรมราชการพระอาจารย์จะค่ะอาธรรมชนะจะแล้วอ่ะ่วันนี้ไปชอนขึ้นมาเลย ตาสองวันตั้งแต่สามเด็ดได้มาสามสี่รอบออได้ข้าไปหาหมอนนี้ไปหาหมอโรงพยาบาลตาได้ค่าหมอแล้วก่ะโอเคดีไม่ได้แบบโลภมากคือเอานิดๆิดออหอมปากหอมคอมั น, มนไม่ได้อะถนนไม่ได้เลยถนะนไม่ได้โยมเทศมาตั้งแต่ก่อนปีหกศูนน่ะมันนานเกิน สบายก่อนนู้นเอาทองกลับบ้านซื้อร้านไม่ต้องไปที่แฟชั่นนี่ยที่ห้างแฟชั่นสิบบาทยี่สิบาทแล้วหอบกลับบ้านมานักฟักไว้เมื่อไรขึ้นก็เข้าไปจ่ายไปขายมันก็เลยติดสงสัยแต่ก็พยายามว่าจะเลิกจะเลิกก็กล้าความอยากไม่ได้สักทีความอยากนี้โอเคเดี๋ยวกดอื่นรบกวนกันอื่นก็ค่ะ โอ้ยคนยันว่าก็ตอบเมื่อมันเงินมันหมดมั้งจะเลิกได้ตอนเงินหมดตอนนี้เงินยังเหลือก็เลยเสร็จเดี๋ยวอ่าส่วนหนุก็เข้ามาเริ่มฟังธรรมชาติแบดค่ะอ่ามองทุกอย่างเป็นของไม่เที่ยงนะเป็นทุกข์นะอย่าไปยุ่งกับมันอยู่เปล่าๆอยู่กับตัวบปล่าๆดีสุดไม่มีอะไรมาเป็นพันธะไม่มีอะไรต้องมาห่วงมากังวล ค่ะพระอาจารย์น้องนั่งไปปฏิบัติอเอาเท่าที่จำเป็นปัจจัยสีก่ก็พออืมนอกเหนือนะั้นก็อย่าไปมีมันดีกว่าค่ะพระอาจารย์ไม่มีคำขออ่าคุณดิศยาเอนศิยาได้ยินไหมน้ำม้นตักดกัน ของคุณแม่เข้าก็เลยให้แม่มาด้วยค่ะพระอาจารย์เข้าไม่ได้ไม่มีคำถามค่ะพระอาจารย์มาฟังทำค่ะไม่เห็นได้เดี๋ยวคุณแม่กลัวนวัิต ก, การของพระอาจารย์อาจาร์พูดได้เลยจาย้าอ๋อค่ะโยมมีข้อสงสัยว่า ในช่วงที่เราไม่ได้ไปปฏิบัติธรรมที่วัดใช่ไหมคะเราก็ยังใช้ชีวิตของเราปกติตอนนี้เราต้องยึดเกี่ยวกับเรื่องอุเบกขาหรือว่าอะไรนะคะยึดสติถ้ามีสติมันก็จะไม่อุเบกขาต้องพยายามเจริญสติบ่อยๆอุเบกขาก็จะได้ไม่หายไปถ้าเราไม่เจริญสติมันก็จะหายเราจะไปตั้งใจว่าเราจะมีอุเบกขา โดยลำพังไม่ได้อุเบคามันเป็นผลจริงเกจากการเจริญสติคือโยมเมื่อส3งสาวันที่ผ่านมานะคะโยมไปช่วยพระอาจารย์บนเขาที่วัดที่สุขิรินนะคะจัดดอกไ ม, อม้แล้วก็มีน้องที่เคยทำงานอยู่ทุกปีะคะ่ะเขาบอกว่ารอบนี้ดูเหมือนเขาเรียกโยมว่าอานะที่วัดจะเรียกโยมว่าอากับทั้งหมดบอกว่าดูอาชิวมากเลยโยมก็กลับมาทบทวนเออมื่อก่อนจะทางานแบบ เคร่งเครียดอะค่ะอาจารย์แต่ตอนนี้คือรู้สึกว่าปล่อยให้ทุกอย่างมันเป็นไปเรื่อยๆะคะ่ะไม่มีปัญหาไม่มี ใ, ใครจะมาพูดอะไรมาก็จะไม่ก็จะไม่ไปเอามาเป็นอารมณ์ก็บอกอ๋อเขาพก็บอกดูชิลมากเลยยมก็กลับมาย้อนเออนี่เนาะคําว่าที่อาจารย์สอนให้เราอุเบกขาทําให้เราอยู่กับมันแล้วก็ไม่มีเอาอย่างอื่นมาทําให้เป็นปัญหากับตัวเองอะคะ่ะอาจารย์อันนี้ก็ถือว่าเป็นอุเบกขาได้ใช่ไหมคะได้ไดถ้า <ขอ S 2> เราทําด้วยการปล่อยวางไม่ ยึดไม่ติดคือแบบว่าพอมีมีเขาโยมจ่ายงานแจ ก, กงานไปใช่ไหมคะแล้วก็เหมือนกับเขาไม่เข้าใจแล้วเขาก็กลับมาเหมือนกับพูดใช้อารมณ์นิดนึงแต่โยมก็อก็เฉยๆค่ะปล่อยไปก็กลับมาก็ทําดอกไม้ปกติไปอะค่ะอาจารย์รู้สึกบอกเออนะเป็นการทํางานแบบที่มันเบาแล้วก็ผ่อนคลายไม่เหมือนกับไม่มีปัญหามากระทบใจเราอะค่ะอาจารย์ ใช่เราไม่เอาเข้ามาในใจเราไม่เอามาปรุงแต่งเราสักแต่ว่ารู้รู้ว่าเป็นอย่างนี้ใช่ค่ะก็รู้สึกว่าโอ้จากการที่อาจารย์สอนมาให้เราฝึกมาแล้วกลับมาใช้ในชีวิตประจําวันเรารู้สึกว่ามันผ่อนคลายจริงค่ะอาจารย์มันไม่เครียดมันไม่อะไรมันสบายๆค่ะมันไม่กั ง, งวลกับอะไรทั้งหมด อ, มอาจจะมีคนพูดมาแต่ก็มันก็ไม่เข้าไม่เข้าไปในใจเราค่ะอาจารย์รู้สึกแบบ เออนะมันมันมันมันเดี๋ยวโยมก็ไม่มั่นใจว่าโยมถึงขั้นนั้นหรือเปล่าแต่รู้สึกว่ามันมันผ่อนคลายมันไม่เคร่งเครียดมันไม่กดดันตัวเองอะค่ะอาจารย์ดีค่ะเราตัวอย่างให้เป็นหน้าตาไปใช่ค่ะเราไม่สามารถไปควบคุมบังคับใครได้ค่ะแล้วก็เป็นยังไงก็เรื่องของเขาเลยใช่ค่ะแล้วก็อย่างโยมเคยเรียนอาจารย์ว่าที่อำเภอแหวงเนี่ยฝนจะต้องตกอย่างน้อย น้ำจะต้องท่วมสามครั้งต่อปีใช่ไหมคะแต่หลังจากนั้นมาฝนแล้งมาตลอดเลยค่ะอาจารย์ว่าเออนี่เนาะมันก็เป็นอนัตตาเหมือนกันมองทุกอย่างเป็นธรรมหมดเลยมองกลับมาย้อนกลับมาคําที่สอนคือมันทุกอย่างมันเป็นไม่สามารถจะแม้กระทั่งสถิติมันก็ไม่เป็นสติที่เที่ยงอ่ะค่ะอาจารย์ยากสติมันยาเป็นการเฉลี่ยมันจะเอาส่วนสูงส่วนส่วนสูงส่วนต่ําส่วนมากส่วนน้อยมา บวกลบคูณหารกันแล้วทเป็นชายชขึ้นมาค่ะคือเป็นว่าตอนนี้เป็นนิดเป็นปีแรกที่อําเภอแหว่งน้ําท่วมครั้งเดียวแล้วก็ทั่วแป๊บเดียวด้วยค่ะใ่เพืาะว่าเป็นงนิจจ์เนียไม่มีอะไรแน่นอนเที่งแท้แน่นอนอากาศเย็นนะคะยมดูอุณหภูมิทุกวันเย็นกว่า<ม>บางละมุงค่ะที่นี้ยี่สิบเอ็ดสิบเก้าองศาช่วงเช้าว่าอาจารย์ยม้วยบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอนัตตาไปหมดเลยแล้วก็รู้สึกแบบ เออพอไอ้ธรรมะที่เราฝึกฝึกเอาไว้เนี่ยมันย้อนกลับมาสอนเราตลอดค่ะอาจารย์มันเราอย่าไปยืดไปติดนะป่าให้เขาเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยขึ้นบ้างลงบ้างหนาวบ้างร้อนบ้างมันเหมือนเราดูเราดูเราดูไปอย่างเดียวไม่ว่าจะเป็นยังไงเราดูเออนะแล้วก็ย้อนกลับมาสอนตัวเองค่ะอาจารย์ดีนะยน้อนน้ำมันใบบัวไหมนั่นแหะเข้าใจอ่า ใบบัวมันไม่โดดซึมน้ําที่มาเกาะที่ใบบัวคอืใจก็ไม่ไปยึดไปติดกับอะไรอืไม่ไม่โดดซึมเข้าหากันถ้ามีอุเบกขาถ้ามีปัญญาถ้าไม่มีอุเบกขามันก็จะโดดเข้าหากันเลยเห็นอะไรชอบก็ดีใจสุดๆเห็นอะไรไม่ชอบก็เกลียดสุดๆคือตอนนี้มัน ยังรู้สึกว่าอเออชีวิตมันมันง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะพระอาจารย์ง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะต้องทําใจเป็นกลางอย่าดีใจอย่าเสียใจอยู่กรงกลางอย่ารักอย่าชัง <c oughs> ใครพูดไม่ดีก็อย่าไปโกรธใครพูดดีก็อย่าไปยินดีให้รู้เฉยๆว่าเขาเป็นอย่างเนี้ยมันเป็นส้มบ้างเป็นมะละกอบ้างเป็นสับปะรดบ้างค่ <c oughs> เขาไม่ไปเปลี่ยนเขาไม่ได้อืมใช่ค่ะย้อนก่อนก็พอไปทํางานบนเขาไปช่วยที่วัด น, นิยมไปช่วยมาหลายปีแล้วค่ะยมก็ช่วยไปตลอดอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์แล้วยมกลับมาก็มีคนถามว่าพี่ไปทําบุญที่ไหนมาบอกไปวัดบนเขาเขาก็ทําหน้าแบบเบะเบะค่ะอาจาร ย, ย์ยมก็อืมไม่เป็นไรยมก็ยิ้มค่ะอาจารย์รู้สึกแบบอืมแล้วห้ามเขาไม่ได้จริงๆค่ะอาจารย์ค่ะยมขอบคุณให้รูนให้รู้ทันโลกทุกอย่างไป น, น, นันทังไป น, น, นันตตาเราจะไม่ทุก ขอบพระคุณพระอาจารย์นะคะขอบพระคุณค่ะโอเคสาธุค่ะคุณยินดีเป็นชื่อบนูใบขาได้ไหมครับไม่ยินดีไม่ยินไรยางค่ะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นค่ะแต่แต่แต่กำกำกับได้ค่ะแบบจับได้ทันค่ะอืไม่ไม่นานค่ะโอ้ไปยินดีนะยินดีแล้วจะเสียใจ เวลาสูญเสียส ant, aso, okay. no, like. yes, okay. ิ่งท okay. right ี่เรายินดีไปก็จะเศร้าค่ะท่าอาจารย์ค่ะพยายามค่ะก็ตามคําสอนท่านอาจารย์นยดีีีมอยู่โครงการพยายามค่ะพัฒนาตัวเองค่ะพยายามค่ะท่าอาจารย์ยังมีถ้าอาจารย์รบโหรบไตอยู่ก็เย็นได้ค่ะท่านอาจารย์ค่ะท่านอาจารย์ก็ไม่มีอะไรทามาฟัง กับมาฟังทำกับทุกทุกท่านค่ะแล้วก็เดวินเหมือนเดิมค่ะอาจารย์ก่อนไปเขาก็บอกว่าวันนี้อาจารย์มานะค่ะอาจารย์ไม่ลืมค่ะบอกทั้สองตขอบคุณมากนะโอเคค่ะขอบคุณท่านอาจารย์อย่างสูงค่ะทั้งสองค่ะรกกะขอบคุณค่ะคุณจันทาใช่ไหมจันทาถ้าชื่อไม่ถูกก็บอกแก้ได้ครับนมาสการค่ะพระอาจารย์ชื่ออะไรคะ ที่ชันทาครับค่ะอาจารย์ชันทาใช่ค่ะอยู่ทีไหนอยู่ที่ไหนจำไม่ได้เลยอยู่ที่กัมพูชาครับค่ะอาจารย์โอ้ข้าวเทราเข้ามาโอเคอใช่ครับอยู่ใกล้นครว่าหรือเปล่าแล้วอยู่ใกล้อยู่ใกล้ครับค่ะอาจารย์อยู่โคราจังหวัดนะใช่ใช่ครับอยู่ใกล้นงเป็นใช่ใช่ครับอยู่ใกล้พนงเป็น เป็นยังไงมีอะไรไ้ยวันนี้อยากจะคุยอยากจะทำอะไรไหมครับถ้าอาจารย์ก็เอาธรรมะของพระอาจารย์นะคบมาประยุชใช้ครับ ร, รู้รู้สึกว่าชีวิตอาหับดีขึ้นแล้วก็ความทุกข์อาหับน้อยลงความทุกข์น้อยลงครับอาจารย์การคุณภาพการนอนหลับอะไรนี้ดีขึ้นครับผมก็ไม่กินเมื่อเย็นก็มไม่กินเมื่อเย็นด้วยแล้วก็การนอนหลับดีดีขึ้นมากกว่าเดิม ไปก่อนไหมครับอารย์คือขีดน้อยขีดน้อยขีดน้อยลงคิดน้อยลงแล้วก็ปล่อยวางปล่อยวางมากขึ้นนะครับก็เลยขีดน้อยลงคระความอยาน้อยลงลดความอยากลงใช่ครับเออพิสูจน์ได้จริงๆนะครับว่าเออธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็คือเป็นธรรมะโอสุตจริงๆนะครับพระอาจารย์เพราะว่าผมฟังจากพระอาจารย์แล้วก็เอามาพิสูจน์ปิด แล้วก็พิสูจน์แล้วก็ได้ผลจริงๆนะคบผมก็เลยมีความศรัทธาครับก็เลย <g ười> ก็เลยทุกวันนี้ครับาอาจารย์คือเราออกจากงานประจำไม่ไม่รับงานด้วยมีคนมาเสนองา น, านอะไรก็ไม่รับคือผมบอกเขาว่าเนี่ยผมอยากอยู่บ้านแล้วก็ปฏิบัติธรรมแล้วก็ดูใจของตัวเองไปเรื่อยๆครับคือข้ามทีละเก้าทีละเก้าไป งานที่ดีที่สุดก็คืองานดูแลใจของเราเนี่ยนใช่ครับคือผมมีธรรมะของพระอาจารย์เนี่ยก็คือค่อยเป็นกําลังใจค่อยค่อยเตือนอใจทุกวันว่าถ้าวันนี้เราต้องตายเนี่ยเราอยากที่จะไปรับงานไหมอะไรเนี่ยก็เลยแบบว่าดึงสติกลับมาก็เลยถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายเราเน้นปฏิบัติทำให้มากๆเลยอะไรเนี้อยอ่างนั้นใช่เราเอาใจไปได้อย่างเดียวอย่างอื่นเราไปไม่ได้ ใช่ใช่ครับพอพมแบบว่าวิเคราะห์ไตรตรองมันก็จริงมันที่พระอาจารย์เทศมานะครับพยายามเอาใจที่มีความสุขไปนะครับครับคพระอาจารย์ผมก็เชื่ออย่างนั้นนะครับคือเหมืนที่พระอาจารย์เทศมาว่าเนี่ยเราเกิดมาเนี่ยไม่รู้ว่ากี่กี่แสนล้านปางแล้วถ้าเอาน้าตาของเราเนี่ยมารวมกันมันมากกว่าน้ำในมหาสหมุทรเอง ผมผมตืนตรงนั้นเลยนะครับว่าชาตนี้ไม่ใช่แบบชาตนี้กันเียแค่โยหยยนน้ำนิดเดียวในในบรรดาชาติต่างๆที่เราต้องต้องทุกมาคับค่ะรู้สึกว่าเหมือนเหมือนเหมือนวิทยาศาสตร์นะครัอประทานคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นวิทยาศาสตร์เป็นความจริงพิสูจน์ได้ครับไม่ใช่แต่ว่า ความเชื่อแบบงุ่มนายไม่ใช่อย่างนั้น嘛ใช่คแค่ปฏิบัติได้ก็จะสามารถพิสูจน์ได้สันติทิโกใช่ใช่ <ทำ S 1> ครับผมที่พิสูจน์ได้ครับผมเป็นความจริงเหมือนที่พระอาจารย์เทพ<ม>ใหเอร์เทพให้ต่างชาติเมื่อวานนะครับผมก็เข้าฟังในสุ้มเหมือนกัน ม, มันคือมันเป็นความจริงน<笑>ผมก็เลยเชื่อไม่ใช่ไม่ใช่ธรรมะเอามาล อ, อกลวงไม่ใช่อย่างนั้นนะครับอืม ครับพิสูจน์ได้เป็นอากาลิโกที่พระอาจารย์เคยเทศนาครับถูกต้องเป็นสวัสาโตข้าราชการทำงานทีตัดแว้นด้วยความถูกต้องครับครับผมก็ฟังจากเอครูบาอาจารย์หลายๆท่าน่างเช่นหลวงตามหาบัวอะไรเนี่ยครับก็ก็ฟังไปนะแต่แต่ฟังประจําก็คือฟังของพระอาจารย์เองครับอืมครับผม อ๋อแล้วต่ไปปฏิบัติด้วยนะใช่ใช่ครับพระอาจารย์ผมก็ปฏิบัติดูใจของตัวเองเรื่อยๆแล้วก็มีสติมากขึ้นนะครับพระอาจารย์เวลาโครด์เวลาอะไรเนี่ยก็ดึ้ถึงเออตัวปั๊บดับปั๊บเลยตัวปั๊บดับปั๊บเลยครับครับแล้วก็ใจเย็นจริงๆนะครับคือยอมหยุดเหตุนะครับอืมยอมหยุดแล้วก็เย็นแต่กลองก็ก็ ขอโทษครับก็คือเป็นคนที่ไม่ยอมใครเหมือนกันนะครับถ้ายอมเหมือ ม, มันเราโง่อะไรเนี้ย ค, คือคือคิด อ, อย่างนั้นเลยเราไม่รู้ว่าแพทยเป็นพาชนะเป็นมานนะใช่ใช่ครับก็ก็พิสูจน์ได้คือใจเย็นแล้วก็นอนหลับสบายจริงๆนะครับผมก็เลยเชื่ออืมดีปฏิบัติต่อไปนะครับอาจารย์ขอขอบคุณพระอาจารย์มากเลยนะครับขอให้พระอาจารย์มีพลังแข็งแรงนะครับผม ค่ะสาธุสาธุค่ะคุณสเรนทอนจนอันนี้ทํางานเนอะตอนนี้นวสการ์ทํางานอยู่เจ้าค่ะดีใจทางานที่บ้านตลอดเลยนะมันเป็นเพราะว่าช่วงที่หนูเล่าให้พระอาจารย์ฟังว่าหนูรถชนนะคะแต่ว่าหนูเพิ่งจะได้รถมาก็คงต้องต้องเริ่มกับต้องเริ่มกลับเข้าไปออฟฟิศแล้วอะค่ะอืมค่ะพระอาจารย์หนูอันนี้หนูก็ไม่มีคนาำถามค่ะก็เข้ามากับพระอาจารย์ ตอนนี้พี่มายังองอยู่อ่ะพระเะ้ามันไม่ละลายอะค่ะตั้งแต่สิบกว่าเดือนมันเต็มอะไรเต็มเต็มข้างถนนเลยนะมันหนาวมากเลยอะค่ะพระอาจารย์แล้วก็วันก็ไม่เราก็ไม่ได้อยากไปไหนมันติดลบทุกวันนะคะลบอย่างตอนนี้ก็ติดลบหนึ่งกลงคืนก็ติดลบแปดอย่างเงี้ยค่ะแล้วไปไหนก็ลําบากมากคือหนูเพิ่งจะปีได้รถมาแต่มันไม่มีที่จอดรถเพราะว่ามันมีแต่น้ําแข็งมันเป็น มันก็เลื่นมากเลยค่ะอาจารย์คือเดินแล้วมันเหมือนอยู่ในช่องฟิตเลยอะมัน uh huh. มันไม่สโนโวมันเป็นไออย่างแบบน่า ก, กลัวมาก mm hmm. ตอนหนูไปดูรถเขาก็บอกหนูบอกว่าเขาต้องขุดรถออกมาจากน้ําแข็งมันขุดไม่ออกเขาก็เลยบอกว่าหนูดูไม่ได้ mm hmm. บอกว่าให้ไปทานข้าวกว่อนแล้วให้กลับมาใหม่กลับมาใหม่ก็ยังขุดไม่ออกอยู่ดีบอกให้ไปกินอีกรอบหนึ่งไม่เอาแล้วมันถึงไปดูรถแล้ว mm hmm. ลำบากมากเลยค่ะก็คิดว่าน่าจะอีกสองอาทิตย์น่าจะละละยายอะค่ะต้องรอให้ม huh. right, I mean. okay. uh ีอากาศ ขูนขึ้นก่อนค่ะใช่ค่ะตอนนี้มันมันไม่มันไม่ได้เลยเมื่อวานหนูพยายามจะออกไปขุดมันขุดไม่ลงเลยคือมันกระแทกลงไปนี่มันมันไม่ลงเลยจริงอะมันก้อนอินเลยมันก้อนอินแน่ใช่ตอนนี้หน้าบ้านหนูยังประมาณเจ็ดปันิ้วอยู่เลยพระอาจารย์มันไม่มันไม่ยอมออกสัทีอะค่ะก็ช่วงนี้หนูก็ไม่ได้ทําอะไรมากค่ะก็อย่างที่เรียนพระอาจารย์ก็ทํางานที่บ้านแล้วก็อาจจะมีเรื่องกุ้มใจเรื่องที่ไม่มีรถก่อนหน้านี้่ค่ะแล้วก็ แล้วก็อา่าไม่ค่อยเอ่อเรื่องลูกก็เป็นเรื่องธรรมดาะคะ่ะแต่นอกนั้นหนูก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็พยายามทําใจทุกวันนี้ใช้คําว่าทําพยายามทําใจเป็นกลางกับทุกเรื่องอะคะอ่ะพระอาจารย์อแล้วก็ปล่อยปล่อยเวลามีอะไรกระทบเราก็รู้สึกว่าเดี๋ยวมันก็หายไปมันมันมันเกิดขึ้นอยู่ดับไปเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นควายามมันได้ไปแก้ปัญหาได้หนูรู้สึกว่าหนูเปลี่ยนไปมากเลยอะคะอ่ะพระอาจารย์เปลี่ยนไป จนไม่แน่ใจว่ามันกลายเป็นดูเฉยเมยหรือเปล่าเนี่ยคพราะว่ามันดูมันดูไม่เอาอะไรอะค่ะถ้าถ้าถ้าเฉยมมยก็ไม่ทําอะไรเลยนี่ยังทํางานอยู่ยังทําหน้าที่อยู่ก็ไม่ใช่เฉยเมยใช่ค่ะแต่เหมือนมันไม่มันไม่ได้มีไม่กระตือรือร้นอะมันไม่ใช่ค่ะใจมันรู้สึกแต่ว่าอยากจะอยากจะหยุดมาทําปฏิบัติธรรมมากกว่าแต่มันยังทําไม่ได้อะค่ะอืมเท่านั้นเท่านั้นละค่ะพระอาจารย์มันเป็นอย่างไงก็ทําเท่าที่เราทําได้ไปก่อน ใช่ค่ะหนูก็รอรอวันไหนที่อย่างที่กลับเรียนพระอาจารย์รอวันที่หนูพร้อมซึ่งหนูก็คิดใกล้เนาะพระอาจารย์ช่วงนี้จิ๊บอยู่ว่าวันนี้เข้ยังไม่ได้สังเกตด้วยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเอ่ทั้งหนูทั้งจิ๊บพยายามเข้าอะค่ะแล้วก็เข้าไม่ได้พวกเราก็คุยกันว่าโอ้เรารอรอรออยู่ข้างนอกแต่ก็วันนี้ไม่แน่ใจจิ๊บอาจจะต้องไปส่งลูกสาวที่โรงเรียนเพราะว่าโรงเรียนเขาเปิดเขาเปิดแล้วอะค่ะหยุดโรงเรียนหยุดไปเป็นประมาณเจ็ดแปดวันเลยอะค่ะเพระพรพรที่ โอเคอ่า <Okay. S 2> ถ้าจิตไม่เข้ามา <Yeah. S 2> พระอาจารย์ด้วยนะคะ uh, <yeah. S 2> ขอบ <Yeah. S 2> พระคุณพระอาจารย์ต่อไ ป, <c oughs> อไปยาวเวลาทำงานมาทะเลท่ายเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวผิดศีลนะเอาขามยเวลามาทำทำประโยชน์อย่างอื่นโอเคไปที่เป็นกาแ ฟ, ฟหายไปนานเหมือนกันไงย่งไงน้ำหนักขึ้นแล้วน้ำหนักลง น้ำหนักเท่าเดิมครับอ <Yeah. S 2> ลงลงไปบ้างแล้วก็ขึ้นมาบ้างแต่ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยหาความสุขกับการกินแล้วครับ <Yeah. S 2> แต่ว่าน้ําหนักเดิมมันยังไม่รงครับ yeah. เริ่มเบือ่อเลยมันก็ใช่ใช่อาจารย์ครับอื mm. มันก็เท่านั้นนะกินแล้วก็เท่านั้นนะแค่ความสุขที่ปลายลิ้นเดียเด๋ยวเดี๋ยวคิดคิดเหมือนกันเวลากินแล้วเออนี่มันอร่อยนะ อ, อร่อยแล้วมันก็ดับ ความอร่อยนั้นก็ดับไปครับมันไม่พอแล้วดับแล้วต้องหยุดกินดล ย, ยังกินแบบว่าเออนี่นี่ก็คือความอร่อยนะพออร่อยเสร็จแล้วมันก็ก็แค่นั้นครับมันไม่ ม, มันไม่ต่อแต่เถ้าผ่านไปก็หยุดกินเลยกินไปทำไมครับพอดีที่ผ่านมาคุณพ่อเป็นมะเร็งครับแล้วก็ต้องไปรับไปส่งตอนนี้เขาหยุดหยุดให้ยาแล้วครับ คือรอดูอาการอย่างเดียวก็คือว่ารอให้ท่านอยู่อยู่เข า, มมามไมออ่ให้คีโมแล้วครับท่านที่สามแล้วเหรอครับคือให้คีโมไปเจ็ดครั้งแล้วจนจนหมอหยุดให้คีโมแล้วครับอืมก็ลองให้ทําใจนัเนี่ยให้ใช้ธรรมโอสถนะตช่ให้ทําใจครับอืมก็มดูแลเต็มที่ก็ไปรับไปส่งไปโรงพยาบาลอะไรเงี้ยต้องฉีดยาทุกวันเลยเงี้ยครับอืม อันนี้ก็ผ่านมาแล้วก็เลย<ม>ก็เลยมีเวลาครับส่วนธรรมะเวลาไปเจออะไรมาก็เวลาก็ได้นึกถึงธรรมะของพระอาจารย์เวลาเหมือนน้องๆพูดเรื่องกายตรวจอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะนึกถึงตลอดครับเวลาเจอเหตุการณ์อะไรเหมือนเฮาะเหมือนคิดถึงทุกคนครับว่าเคยได้ยินมาอย่างนี้นะแล้วก็เอาไปใช้ครับ อืพยายามแยกใจออกจากกายสอนใจว่าใจไม่ไม่ใช่ร่างกายใจเป็นผู้รู้ร่างกายเป็นเดินน้ำลมไฟพยายามสอนใจใช่ไหมครับ อ, อืไม่ให้ยึดติดในร่างกายใช่ไหมครับออไมไ่้ใจไม่ได้เป็นร่างกายครับมันไดแยกส่วนใหญ่จะหลงเชื่อใจเป็นร่างกายแล้วทําให้เราไปยึดมั่นถึงมั่นใช่ไหยครับ ใช่ปอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ประยาดให้ไม่ไม่เจ็บไม่อยักให้มันไม่ตามมันก็เลยสร้างความทุกข์สร้างสร้างความเกลียขึ้นมาถ้าเราลความอยากได้เราก็จะไม่ทุกข์ใช่ไหมครับคือเราไม่ยไม่ไปยึดในอารมณ์ที่ที่มันเกิดขึ้นใช่ไหมครับคือไม่ยึดร่างกายไม่ยึดให้มันว่าเป็นเราไม่ไปยึดว่าไปให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ปล่อยมันเป็นไปตามเรื่องของมันเอง ไปเป็นตามธรรมชาติแล้วก็เราจ ะ, มจะไม่ถูกใช่ครับอันนี้มันเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไป อ, อย่าไปอยากให้มันหายเจ็บยิ่งอยา่ายิ่งเครียรดอย่ายิ่งทุกข์อย่ครับครับคิดถึงพระอาจารย์ครับโอเคมีกท่านี้นะไม่มีอะไรแล้วครับกรรมธรรมชาตินนครับรนึกกามต่ออนุตานปิยง ยังยมัศ ก, การขอาผาตานมาสัส ก, การการเป็นยังขึ้นเขา่ามาได้ยังยังค่ะคุณแม่ก็ยังประเดนี้เดี๋ยวหนูหนูว่าจะเลือกตั้งเสร็จอาจจะขึ้นค่ะอ่านปฟังตัวนี่ยทงานที่ของประชาชนเอรารู้สึกมีคนตั้งใจทํางานเพื่อประชาชนกันเยอะเหลือเกินแถวบ้านหนูนี่มันจะเสียงวิ่งรถรถวิ่งหาเสียงตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าเลยค่ะอืม ก็เ น, นี่ยพอเล็กน้อย ก, ก็หายไปแล้วลไม่มาหาแล้วค่ะค <c oughs> ่ะหนูหนูมีเรื่องจะเรียนถามพระอาจารย์อยู่เรื่องหนึ่งอะค่ะประดีว่าฟังธรรมะบนเขาวอะค่ะมีมีอยู่การหนึ่งที่พอาจารย์พูดถึงนะบารมีสิบค่ะแล้วพรอาจารย์ก็บอกว่าในบารมีสิบเนี่ยมันมีมันมีทั้งธรรมะที่เราต้องพัฒนาจับธรรมะที่เป็นเครื่องมือ ก็เหมือนกับเวลาที่เราจะสร้างบ้านเนี่ยมันต้องมีสองส่วนก็คือต้องมีวัสดุก่อสร้างอย่ไหต้องมีหินทรายปูนอะไร่แล้วก็อีกส่วนนึ้งก็ต้องมีเครื่องมือไว้ใช้ในการก่อสร้างเช่นต้องมีข้อมีขวานมีเลื่อยมีอะไรอาจารย์ไหมถึงถึงจะสามารถสร้างบ้านได้เสิ ถ้ามีเพียงแต่วัสดุก่อสร้างแต่ไม่มีเครื่องม้ <c oughs> เครื่องมือก็สร้างไม่ได้ถ้ามีเครื่องเครื่องมือแต่ไม่มีวัสดุก่อสร้างก็สร้างไม่ไม่ไม่ได้เหมือนกัน <c oughs> ในบริสิบนี้มันมีหกหกข้อที่เราต้องสร้างเป็นวัสดุที่เราจะต้องสร้างให้เป็นเพื่อให้เกิดเป็นนิพพานขึ้นมาซึ <c oughs> ่งก็มีมีเมตตาบารามีมีทานบาลมีมีศีลบารามีมีเนิกรรมบารามีมีอุเบกขาบาลมีแล่นเปปัญญาบารามี อันนี้เราต้องสร้างขึ้นมาอันนี้เป็นวัสดุที่เราจะต้องหาขนขวายหามาเพื่อจะได้สร้างบ้านคือนิพพานของเราเนี่ยให้ได้สําเร็จเราก็ต้องปฏิบัติต้องมีความเมตตาต้องทําบุญทําทานต้องรักษาศีลต้องต้องปฏิบัติเนี่ยขมมากก็คือละเว้นการหาวความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายแล้วก็นั่งสมาธิให้เกิดอุเบกขาขึ้นมาแล้วก็ศึกษาปัญญา ให้เห็นตใจให้เห็นอริยสัจสี่ในการที่เราจะจะสร้างสิ่งอ่านี้ขึ้นมาได้เราต้องมีเครื่องม้าเข้ามือสร้างก็คือเราต้องมีอธิษฐานสัจจาอธิษฐานแต่เราต้องตั้งสัจจาอธิษฐานว่าต่อไปนี้เราจะไม่ทําอะไรแล้วนอกจากสร้างบารมีสร้างเมตตาบารมีสร้างศีลบารมีสร้างฐานบารมีเป็นต้นแล้วเราก็ต้องมีความเพียรพยายามวิริยะบารมี แล้วก็ต้องมีความอดทนเพราะว่าทําทําสิ่งเหล่านี้มันต้องเหนื่อยต้องจะอุปสรรคต่างๆถ้าไม่มีความเข้มแข็งอดทนก็อาจจะยอมแพ้ทําไม่ไหวเยเราต้องมีสี่อย่างเป็นตัวที่ผลักดันให้เราไปสร้างบารมีต่างๆอเบื้อ ง, งต้นเราต้องตั้งสัจีลปฏิฐานก่อนค่ะต่อไปนี้เราจะไม่ทําอะไรนอกจากจะสร้างบารมี อมีเหตุการณ์ที่เราจะต้องใช้สร้างสิ่งเมตตาบารมีแล้วก็ต้องใช้เช่น ใ, ใครมาทําให้เราเสียหายหเดือดร้อนแทนที่เราจะไปโกรธเขาอาฆาตพยาบาทเราก็ให้อาภัยเขาไปจบไม่มีเรื่องไม่เล่ากันเมตตาบารมีแต่ถ้าเราจะไปเที่ยวยำเงินไปเที่ยวปเปลี่ยนใจเอาเงินนี้ไปทําบุญทําทานดีกว่าเรียกว่าทานบารมี แล้วเรก็ไม่เบียดเบียนผู้ในการรักษาสีหน้าแล้วก็หาเวลาไปอยู่บนเขาไปเจริญในธรรมะบาลมีเกาเบขาบาลมบปัญญาบาลมีปัญญาบารมีก็เข้ามาฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆท่านเราทําด้วยด้วยศสัจจะอธิษฐานเช่นตั้งสัจจะเราไม่ไถ้ตั้ามาฟังอา ก, การนี้ทุกคืนมันพุทธเนี่ยไม่ได้ นอกเว้นว่าทําไม่สบายแล้วเป็นอะไรเข้ามาไม่ได้คือต้องมีเป้าหมายในการกระทําำเรามีเป้าหมายแล้วก็ต้องมีวิริยะคือความเพียรพยาามผักนันให้ความความไปความตั้งใจของเราบนรลุบรบรลุผลบรรลุผลขึ้นมาในการกระทําเพียรความเพียรกับขยันเหมือนเพียรในเวลามีอุปสรรครู้สึกว่ามันยากก็ต้องใช้ขันติอุดทน วันนี้จะทำความดีแต่ละครั้งนี่วัี้มีมามาขวางอยู่เรื่อยเดี๋ยวก็เรื่องนั่นเดี๋ยวก็เรื่องนี้ก็ต้องมีความอดทนใจยังก็เป็นสิบเบอรมีเข้าใจค่ะค่ะงั้นเราต้องสร้างฐานฐานเมตตาก่อนถ้ามีความเมตตาแล้ว เ, เราจะทําฐานได้ง่าย เช่ไเรามีความเมตตาต่อสัตว์ใช่ไหมต่อสุนัข okay. เรวก็ทาทานเลี้ยงมันได้อย่างมีความสุขใช่หมแล้วเมื่เรามีทานแล้วเราก็ใจเราก็จะมีความเมตตาแล้วก็จะไม่อยากจะไปทําให้ใครเสียหายเดือดร้อนเราก็จะมีสีเงินมาสีหน้าขึ้นมาแล้พอเรามีสีหน้าถ้าเราอยากจะไปปลีวิเว้ไปหาความสงบในปฏิบัตินเนคขมะมันก็ง่ายเพิ่มอีกสามข้อ จากีห้าก็เป็นศี yes. แปดนะพอเราไปหยุด ป, ปิดแบบไม่แว้งไม่ไม่ดูหนังฟังเพลงไม่เสพ ร, รูปเสียงกลิ่นแล้วเราก็มีเวลามาเดินสติเดินเดินจงกรมนั่งสมาธิทําใจให้สงบพอใจสงบเราก็ได้อุบเบกขาบารลเมนมาถึงปัญญาแล้วก็เริ่มตัวก็เรียนจากพระพุทธเจ้าก่อนอะไรเป็นปัญญาก็คืออริยสัจสี ตายรักอันนี้จากทุกขังเนี้ยตายนี่แหละเป็นปัญญาที่ะจะมาใช้ในการดับความทุกข์ต่างๆในใจของเราเราไม่ต้องรู้มากรู้แค่เนี่ยรู้แค่สองอย่างเนี้ย ร, รู้ตายรักกับรู้จากอาริยสัจ ส, สี่ก็สามารถนํำมาไปทาจัดกิเลสตัณหาตัวที่สร้างความทุกข์ต่างๆให้กับใจได้หมดสิ่งไปนี่แหละก็คือสิ่งที่เราต้องพยายาม สร้าสัจาะนิฐานต่อไปนี้งานของเราจะมีแค่เนี้ยแค่บารมีสิบเนี่ยนอกจากงานที่จําเป็นเข้าไปถ้างานไม่จําเป็นไปเที่ยวไปหาอะไรนี้เลิกไปดีกว่ามาสร้างบารมีดีกว่า <c oughs> มาเลี้ยงหมาต่อไปเลีงทุกวัน <c oughs> แต่ก็อย่าอย่าอย่าติดจนกระทั่งไม่สามารถไปทําบารมีอย่างอื่นได้ <c oughs> มัก็ต้องแบ่งให้ไปทำท่าศีล บ, บารมี อันต้องไปทำเนี่ยขม้ามา ร, รมีบ้างสลับกันต่อไปก็อาจจะต้องปล่อยวางทานบา ร, รมีเพราะเราจะต้องเข้าไปสู่เนี่ยขม้าเข้มมาไปสู่อุเบกขาเข้าสู่สมาธิมันก็ต้องทุ่มเต็มใจให้กับการปฏิบัติอย่างเต็มที่ถ้ายังมัวกัวงวลกันเลี้ยงสุนัขอยู่มันก็มันก็แบบว่าเข้า้ออกๆจะต้องมาดูสุนัขแล้วเดี๋ยวกลับเข้าไปนั่งสมาธิ ตอนตอนนี้หนูก็ใช้วิธีการจ้างคนที่ไว้ใจได้เลี้ยงใช่ดีทำอะไรก็อย่าไปยึดเอย่าไปติดมันทํทาไม่ตามเหตุตามบาใจเมื่อถึงเวลาที่เราจะต้องก้าวก้าวข้ามไปแล้วก็ต้องไปมันเป็นเหมือนบันไดนะการปฏิบัติธรรมเนี้ค่ะตอนต้นเราเกี่ยวข้ อ, ของกับคนเราก็ต้องมีความเมตตาเกี่ยวข้องกับคนกับสัตว์เราก็ต้องมีความเมตตามีการทําทานมีการรักษาศีลไม่เบียดเบียนเขา แต่ถ้าเาต้องก้าวข้าบต่อไปขั้นต่อไปนั้นก็เราปิปกวิเวกบ้างมันต้องไปเจริญเนคขมะบาลมีกับอุเบกขาบาลมีแล้วก็ปัญญาบาลมีมันจะแยกกันการบริบัติเรื่องต้นก็เกี่ยวข้องกับ ค, คนก็ใช้เมตตาใช้ทานใช้ศีลบารมีแต่พอเราต้องการที่จะไปสูงกว่านี้เราต้องการเข้าไปสู่ระดับสูงคือไปหาเนคขมะไปหา เราเบกปหาปัญญาเราก็ต้องแยกตัวเราไปอยู่คนเดียวไ <c oughs> ปเปริกไม่เ ว, วก <c oughs> แล้วเราก็ต้องพิจารณาดูว่าตอนนี้เราอยู่ตรงไหนเราอยู่ส่วนไหนเราอยู่ส่วนน่ะส่วนที่เกี่ยวข้งของกับคนเรืออยู่ในส่วนที่เราต้องการที่จะไปอยู่คนเดียวเพราะถ้าเราเกี่ยวข้งของกับคนนี้เราจะไปไปเปริกไม่เ ว, วกไม่ได้ใช่ไหมเราจะไปนั่งสมาธิเดินโยกลมไม่ได้นจะ แต่การปัญญามันทําไม่ได้ถ้าเราเกี่ยวข้องกับคนมันก็ต้องช่วยกันไปช่วยกันมาอยู่นั่นแหะมีเรื่องมีลาวอะไรกันไปเพราะฉะนั้นเราต้องใช้เมตตาบา ร, รมีอใช้ทานบา ร, รมีเสียสละอ้ายอมใครมาช่วยใครมนขอร้องให้ช่วยนู่นช่วยนี่ไปทําทานไปแล้วก็ไม่ไปเบียดเบีย น, ยนไม่ไปทำใครให้เบียดร้อเสียหายรักษาสีหน้าไป กต่มันจะได้ระดับนี้ได้บามี3ามตัวแรกนี่มันก็จะวนเวียนอยู่กับคนกับเรื่องราวต่างๆแต่ถ้าเราอยากจะไปไปสูงกว่านี้ก็ก็ต้องเบรกวิเว้ไปในครมะไปปฏิบัติในครมะไปนั่งสมาธิเพื่อให้ได้มาเบคาแล้วก็ไปพิจารณาปัญญาพิจารณาอ น, นิจจาทตุขัลวานิฏฐะเราไม่ได้ปัญญา ใช่อย่างนั้นที่สุดแล้วเนี่ยเราถึงถึงเวลาที่เราจะต้องละละในการทําทานนะคะเราไม่เราแบบอยู่ในจุดที่แบบเราไม่ช่ว ย, เ ร, ยเราอยู่ชั่วคราวไงไม่ได้ละทันทีแต่ตอนนี้มันหมดหน้าที่แล้วเราต้องเปลี่ยนหน้าที่เหมือนการเรียนเรียนจบประถมแล้วเราขึ้นมัธยมแะเราก็ไม่ไปเรียนกไก่เขาไข่นะเราจะไปเรียนวิชาอื่นต่อ การละทานเหมือนกับว่าไม่ไม่ช่วยเหลือเขาแรงอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดใช่ไหมคะถ้าเราจะ ไ, ไปไปต่อใช่ก็พระเจ้าก็ออกสลัราชสมบัติไม่ได้ช่วยพ่อช่วยดูอยู่กับทํางานในในในอในราชวางังะสละราชสมบัติเพื่อไปทํางานส่วนตัวละ mm hmm. ง, งานสังคมงานเกี่ยวข้องกับคนอื่นนี่ขอพักไว้ก่อนค่ะอันนี้มันก็ต้องไปรักษาตัว รักษาใจให้หายทุกข์ก่อนมาหายแล้วก็ออกจากพยาบาลมารอพยาบาลมาแล้วก็มาช่วยคนอื่นต่อช่วยด้วยการเผ ย, ยแผ่ธรรมะต่อไปอทำทานอีกสี่สิบห้าปีพระเจ้าหลังจากตัดสรตยุคพ อ, อเวลาหกปีไปปฏิบัติธรรมก่อนแ ล, แล้วถ้าไม่หายสักทีทำไงครับ <c oughs> ถ้าปฏิบัติไเรื่อย <c oughs> ๆมันก็ต้องเจ้กว่าจะหายถ้าเราไม่หายเราก็มาช่วยคนอื่นไม่ได้อยู่ดี คือต้องขยันใช่ไหมพระเจ้านับประกันแล้วไม่ไม่เกินเจดปีถ้าปฏิบัติในสติปัฏฐาน่ไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนก็ไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปีเป็นภาษาลูงเต็มไปหมดนสมาี่พูะเจ้าแสดงธรรมนี่วันมาฆ้า บ, บูชามีตั้งหนึ่งพันสองร้ยห้าสิบรูปเนี่ยพอพอบรรลุธรรมแล้วทีนี้ก็มาทำทานต่อแต่แต่แต่แต่จะทำในรูปแบบที่ไม่เหมือนเดิม เอก่อนเราจะเ ล, เลี้ยงสุนักเลี้ยงอะไรต่อไปนี้เราเอาธรรมะมาแจากแทนพราธรรมะมันมีธรรมะมันมีคุณค่าราคามากกว่ากับข้าวกับปลาหารอาหารก็เลี้ยงแต่ร่างกายแต่ธรรมะนี่เลี้ยงจิตใจให้หายทุกข์ให้หลุดพ้นจากการเียนว่าตายเกิดเราจากที่วุฒเจ้าตัดสินแล้วพุฒิเจ้าก็ไม่ได้ไปทำทานแบบเดิม ไม่ได้ไปใส่บาทไม่ได้ไปสร้างโรงพยาบาลไม่ได้ไปสร้างโรงเรียนสร้างอะไรต่างๆท่านมีแต่สอนธรรมะสร้างพระอย่างเดียวสร้างพระอริยะอย่างเดียวจึงมีพระอริยะสมัยเนี่ยสมัยพุทธกาลมากมายเพราะสํำคัญกว่าการได้พระอริยะนี่สำคัญกว่าการได้โบสถ์ได้เจดีย์ได้ศาลาได้โรงพยาบาลได้โรงเรียนอะไรต่างๆะ เพราะของเหล่านี้มันไม่มันไม่ได้ทําให้ให้คนหลุดพ้นจากความทุกข์ได้แต่การสร้างพระนี่ทําให้คนที่ได้เป็นพระนี่หลุดพ้นจากความทุกข์ได้แล้วคนที่หลุดพ้นจากความทุกข์เป็นพระแล้วก็จะสามารถไปช่วยคนอื่นให้เป็นพระเร้เอกทอดหนึ่งได้ด้วยก็ต้องทําธรรมทานพระพุทธเจ้าธรรมทาน เดี๋ยวจะบอกว่าในบรรดาทานทั้งหลายนี้ไม่มีอะไรที่จะวิเศษเท่ากับธรรมทานการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงเพราะให้การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดให้อย่างอื่นไม่สามารถทำให้หลุดพ้นได้ให้เงินให้ทางก็หลุดพ้นไม่ได้ให้วิทยาทานให้ความรู้ทางโลกก็หลุดพ้นไม่ได้ต้องให้ธรรมเข้าใจอยัง เอาใจค่ะในบารามีสิบก็แบ่งเป็นสามส่วนอี่สองส่วนใหญ่ก็ส่วนที่เราต้องเป็นเครื่องมือเราต้องทันทัตั้งสัจจะฝึกฝึกให้เป็นคนมีสัจจะตั้งตั้งสัจจะอธิษฐานแล้วก็ต้องพยายามทําให้ได้อย่าล้มเหลวตอนต้นก็อย่าไปตั้งมากกว่าเกินกําลังของเราเอาเท่าที่เราทําได้ก่อนแล้วก็ค่อยๆเพิ่มไปเท่นั้นตอนตอนั้นอาจจะไปบวนเขา เดือนละครั้งต่อไปกานจะเพิ่มเป็นเดือนละสองครั้งค่ะอะไรทำนองนี้แล้วก็จะได้แล้วก็ตั้งสัจจะจะนั่งสมาธิวันลากี่รอบกี่ชั่วโมงก็ว่าไปเป็นตน้นต้องมีสัจจะที่ฐานเป็นเหมือ น, เ ป, นเป็นตัวผัดดันน่ยเราต้องตั้งเหมือนกับตั้งตารางการปฏิบัติของเรา เวลานี้เดินยโยกงเวลานี้นั่งสมาทีพอถึงเวลาก็ทําตามที่ตารางที่เร า, ากำหนดไว้ถ้าไม่ทำตารางเนี่ยมันก็มีเรื่องเลยมานชวนะเราออเดี๋ยวพักหน่อยนะเดี๋ยวดื่มทำนู่นทำนี่หน่อยมันก็จะไม่ได้ทำํำมันจะมีขอาาอ้ออ้างหรืออะไหนึน่งป้องกันที่มันจะมาดึงให้เราเป็นทะเลทลายเราก็ต้องมีตารางของการาปฏิบัติไหม การการตั้งตารางก็เหมือนกับเป็นการตั้งสัจจะอธิษฐานเนี่สัจจะก็แปลว่าความจริงใจอันธิษฐานก็คือความตั้งใจตั้งใจจะทำใมนู่นทาให้นี่แล้วก็มีสัจจะเธอไม่เปลี่ยนใจใจแนว่วแน่ต่อการตั้งตั้งใจของเราเราก็ต้องมีความขยันตั้งใจล้วก็ต้องทา ถึงเวลาก็ต้องทําำถ้ามันยากมันมีอุปสรรคก็ต้องอดทนสู้ไม่ยอมถอยสู้ไม่ถอยยึง่าจะสําเร็จตัวอย่างงาที่ลูกตาลทําอยูอย่ตอนนี้ถ้าจะตั้งสัจจะทิฏฐิมันจะถอดเทปถอดเทศอยู่ไปเรื่อย ๆ, ๆก็ไม่หยุดไม่ใช่เหรอทําทำเลยไหมไม่หยุดค่ะอ่าตอนนี้ตามทางนไหยตอนนี้ ใกล้ละคะ่ะแล้วก็ต่อยอดแล้วนะคะหนูขอหนุญา่าฝากเพจด้วยคะ่ะพระอาจารย์วันนี้ตั้งใจมาฝากเพจสูตรท่องเพจธรร ม, มานากุติโดยพระอาจารย์สุชาติอภิชาตโตบายลูกตาลค่ะฝากพี่ๆเพื่อนๆกันรยนาอมีทุกท่านกดไลค์กดแชร์นะคะออืหนูแล้วประกันแล้วประกันความถูกต้องหนูทําเป็นมล์ๆๆแมปเป็นการ์ต <ๆ S 2> ูน <ๆ S 2> แบบนี้ให้เข้าใจง่ายๆค่ะอันนี้เพิ่งเริ่มทํา ออโปรแกรมแคนวาค่ะหนูพยายามจะทําทุกกันให้ให้ได้เป็นให้แบบทุกคนได้เข้าใจง่ายๆอะไรแบบนี้อธรรมะนั่อุเตะที่เทศที่นั่งอุเตะทั้งวันเนี่ยที่วันเสาร์ถึงวันพระเนี่ยใช่ค่ะกันไหนที่แบบเอาเอามาทําเป็นสรุปเป็นไมล์แมปเป็นแผนผังหรือว่าเป็นขั้นตอนได้อะไรเงี้ยหนูก็เอามาทําสรุปในแบบการ์ตูนที่แบบตอนนี้มีคนติดตามเท่าไหร่เนี่ ยังไม่มีเลยค่ะเพิ่งเริ่มทําไม่กี่วันค่ะก็ก็เสร็จคาว่าธรรมะนาคุติกขึ้นมาธรรมะนาคุติค่ะพระอาจารย์สุชาติอภิชาตโตบายลูกตาเนี่ค่ะแล้วก็จะลงลงวันที่ที่พระอาจารย์แสดงคำว่าแต่ละการของพระอาจารย์ก็จะได้จะได้แบบไม้แมพแต่ละอันออกออกมาหลายอันเนี่ กำลเข้าไปดูวันนั้ว่างๆจะเข้าไปดูพ <c oughs> อ, อแบบเหมือนพอเราเข้าไปดูแล้วแล้วสนใจแล้วก็เข้าไปฟังฟังเนื้อหาโดยละเอียดอีกทีเหมือนกับะะว่าเวลาหนูนึกถึงสมมุติตอนนั้นหนูนึกถึงปัจจัยสี่ของใจอะไรเงี้ยแล้วหนูนึกไม่ออกว่ามันมีอะไรบ้างก็ <c oughs> ลเลยเอออยากตั้งใจทำว่าพอเห็นอันนี้ปุ๊บแล้วก็จะนึกภาพบอกว่าปัจจัยสี่ของใจที่พระอาจารย์เปรียบเทียบแบบมันมีอะไรบ้างในภาพรวมแผ่นเดียวเลยอืมค่ะกดีค่ะ ันเป็นมันเป็นแอนิเมชันเป็ น, เ ป, นเป็นภาพการ์ตูนนี้เลยเนะื้อภาพวาดค่ะประมาณเป็นการ์ตูนค<ม>่ะค่ะอาจารย<ม>์กระับให้ให้เข้าใจง่ายแต่ว่าเนื้อหาเนี่ยไม่คือถูกต้องตามที่พระอาจารย์เทศถูกทำ<ม>ไม่ไม่มีบิดผิด<า>อันดี้ญาติยมที่ฟังอยู่ใครสนใจก็ลองเข้าไปดูฝากร้า น, นากดไลคกดแชร์ด้วยนะเพืจะได้มีกำลังใจที่จะทาต่อยอดเ แล้วใครอยากได้การเต็มๆก็แม s เซ n เจอร์ขอได้เลยค่ะค่ะโอเคสาธุมีอะไรไหมไม่มีค่าไม่มีไม่มีไร่มีไ่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไ้่มีไม่มีไม่มีไม่มี่มีไม่มีม่มี่ม่่มีไมมีไีไมคม่มอ่มีไมไีไม่มีไามีไม่่มีไมมไม่มีไ่มมีไมม่ม เอาทุกขั้นเลย่เอาทุกขั้นเนี่ยมันเหมือนกันไม่ได้นะมันของมันต้องแยกกันึช่หรอหรือทาได้หรือทาได้หมดนะครบหมดแล้วถ้าครบหมดแล้วก็ทำได้ทุกขั้นเลยเมตตาก็ได้อุญคาก็ได้อยู่กับคนก็ได้อยู่คนเดียวก็ได้ใ่หรอใช่ มีอยู่คนก็มีเมตตาด้วยแล้วก็มีอุเบกขาด้วยเฉยๆแต่ก็ไม่ไม่เฉยเหมือยเจอใครก็ยิ้มแย้มทํำแ็มสายทักถ่ายเขาไม่น่าเบื่อเติมค่ะหลวงพ่อก็คือได้หมดค่ะหลวงพ่อไม่ไม่สุขไม่ทุกข์เฉยได้แต่ว่ารับรู้ทุกสิ่งอย่างค่ะหลวงพ่อข้างในได้อยู่นะให้ควมเมตตาคนอื่นได้อยู่ค่ะหลวงพ่อ หนูทำหมดค่ะหมาหนูก็เลี้ยงค่ะหลวงพอ่อคนก็เลี้ยงค่ะหลพอ่อตอนนี้คนทํางานก็เป็นเมิจฉเหมือนไม่มีสัตว์ตัวใครค่ะหลวงพ่อจากคนที่เขาไม่โอเคก็หนูให้อะไรหมดแล้วแล้วก็าไปค่ะหลวงพอ่งพ อ, พอตอนนี้ก็ไม่สูงไม่ทุกข์สบายสบายถ้าเทียบกับเมื่อก่อนนะคะหลวงพอ่อ มันไม่ทุกเหมือนเมื่อก่อนแล้วค่ะหลวงพอ่อแล้วที่สําคัญตัวตนมันลดลงไปเยอะมากเลยค่ะหลวงพอ่อมองทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มีอะไรมันมาแล้วมันผ่านมาแล้วมันก็ไปค่ะหลวงพอ่อคือใจไม่ไปยึดมันเป็นสภาวะธรรมมัเนเป็นสภาวะธรรมไม่มีตัวตนค่ะหลวงพอ่อมันก็เลยรู้สึกว่าเห็นตัวเองโง่ค่ะหลวงพอ่อโง่มาแล้วก็พอมาเห็นแบบนี้เหมือน เราไม่ควรไปยึดถืออะไรมาตั้งแต่แรกให้ให้ใจมาเป็นพุกตั้งแต่แรกคร่ะหลวงพอ่อ mm hmm. แต่แต่กว่าจะมาทำใจอย่างนี้ได้มันก็มันก็ใช้เวลานะคะหลวงพอ่อมันต้องใช้ความอดนใช้แบบมันต้องมีสติทันพอที่ที่เราจะเห็นตรงนี้ได้อะคับหลวงพอ่อมันก็ยากอยู่นะคะหลวงพอ่อแต่ว่าเห็นเห็นแล้วถ้าเราปล่อยได้เหมือนที่หลวงพ่อสอนว่าไม่ ให้ยึดไม่ถือปล่อยยอมหยุดเย็นแล้วก็วางอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อใจมันกลางใจมันก็เลยเหมือนคือพ่อบอกว่ามันเป็นโอเบตคาใช่ไหมคะหลวงพ่อมันก็เลยไม่ไม่ทุกข์ค่ะหลวงพ่อทุกน้อยคือก็กลายเป็นว่าเห็นคุณของธรรมะที่ของพระเจ้าที่ท่านสอนแล้วก็ ที่หลวงพ่อเมตคาได้ได้สอนมาค่ะหลวงพอก็คือจริงทุกประการจริงทุกอย่างถ้าเราปฏิบัติได้แล้วเราเห็นเห็นผลแบบนี้ยค่ะหลวงพ่อใจก็จะมุ่งไปทางให้ความสําคัญทางนี้มากมากค่ะหลวงพ่อก็คือไม่ได้สนใจอย่างเด่นแล้วค่ะหลวงพ่อทุกอย่างก็เกิดจากตัวเราเองสร้างมันขึ้นมาเองค่ะหลวงพ่อพรอเราไปไปยึด ไปถือว่าไอ้นั่นก็ของเราไอ้นี่ก็ของเรายึดมันหมดทุกสิ่งอย่างมั น, น, น ก, นอก็อยากให้อยากให้เป็นของเราไปนานๆอยากให้อยู่กับเราไปค่ะหลวงพ่อบางที่จริงๆมันไม่ใช่เรายังไม่มีแล้วก็มันก็ไม่ใช่ของเราทุกสิ่งอย่างหลวงพ่อมันต้องคืนคืนธรรมชาติหมดทุกสิ่งอย่างเป็นสภาวธรรมทุกอย่างมั็นสภาวธรรมมีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปค่ะหลวงพ่อ ตอนนี้ก็เลยสบายสๆข่าหล ว, วงพ่อหมายถึงว่าไม่กกทุกข์เหมือนแต่ก่อนข่าหลวงพ่อทํามองพระเจ้าก็มีไว้เพื่อดับทุกข์นั่นแหละไม่ได้ไม่มี ไ, มไว้ให้เราเล่ามให้รวยให้เราเป็นใหญ่เป็นโตอะไรทํานองนั้นให้เราไม่อยู่ขวาทุกข์ให้เราสิ้นสุดความทุกข์ข่าหลวงพ่เพราะเพอไอ้เล่ารวยสวยงามจริงๆแล้วก็ ช่วยเราไม่ได้เขาหลวงพ่อนั่นก็มันเป็นก็เป็นทุกข์ด้วยเพราะมันเป็นนันทจังนะวยได้เดยกก็จนได้ค่ะหลวงพ่อโอเคดีอขอคุณหลวงพ่อมากๆ อ, อะอะบที่คุณนิ้งต่อคุณนิง้งอันนี้ต้องใช้เมตตาเยอะๆหน่อยนะอยู่ก่าคนเยอยต้องใช้เมตตาบารมี ได้ครับพระอาจารย์เยอะมากเลยครับอบางก็ต้องมีอวัยวะขาควบคู่ไปด้วยมันไม่ไม่ตามมากๆมันก็เหนื่อยนะถ้าไม่มีอยู่เหนื่อยับพระอาจารย์เหนื่อยมากจริงๆครับถ้ามีอวัยวะขามันก็ปล่อยวางได้บ้างนะทําเท่าที่เราทําได้อก็ก็ได้แต่ยิ้มๆแล้วก็อโอเคไม่เป็นไรครับพระอาจารย์ แต่ในเรื่องของการตั้งสัจจะที่ก่าตัวเองไปฟังธรรมหรือได้ทําอะไรอ่ะหนูหนูก็ตั้งสัจจะไปเรื่อยๆแต่ก็ได้กับพระาอาจารย์ถึงเวลาก็ได้ไปอะไรประมาณนี้ค่ะเคยจะพูดอะไรยังไงก็ไม่เป็นไรอืมเราจะไปของเราเราตั้งสัจจะไว้แล้วอ่าหนูตั้งสัจจะไว้แล้วค่ะในอะไรหลายๆอย่างที่ตื่นเช้าขึ้นมาอ่ะใส่บาตไม่ได้หนูก็ เก่ยวกัะปลูกเอาก็แล้วกันแล้วก็ mm hmm. ไปอ่าทําบุญทําทานอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์หนูก็ทําแบบนี้เอาเอาทิพย์แต่ว่าเราทําได้เพราะว่ามันมีพละอะไรหลายอย่างเยอะค่ะพระอาจารย์ mm hmm. อย่างที่อาจารย์ก็เมตตาให้เยอะๆแต่ก็มีปิศาจร่วมด้วยคือเรื่องจริงนะพระอาจารย์อื mm hmm. บางทีก็อ่ะเหนื่อยเดี๋ยวมันก็ผ่านไปหนูก็คิดอย่างเงี้ย ออมันก็มีอย่างเงี้ยอยู่ตลอดเวลาชีวิตก็เหมือนเหรียญสองด้านดีไม่ดีสุขทุกข์ควกคู่กันไปเดี๋ยวดับเดี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนตัวเองใจตัวเองด้วยค่ะพระอาจารย์หนูก็เฝ้ามองอ๋โอโอเคมาไปไปมาแต่ละมือ้อแต่ละวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ปฏิบัติอยู่กับตัวเองอันนี้หนูมาถูกทางแล้วใช่ไหมคะพระอาจารย์ ให้ให้รู้ทันรู้จักรู้ทันตายลักเพราทุกอย่างแค่เป็นแค่ตายลักนี่นี่เกิดมีด่างเดวทุกอย่างมันก็ผ่านไปวันนี้เดี๋ยววันนี้ก็ผ่านไป่เดี๋ยวพวกนี้ก็ผ่านไปผ่านผ่านไปหมดเยค่ะก็เลยไม่ได้ยึดอะไรเหมือนจะไปงานค่ะเขามาชวนไปงานไปทํางานพอดีพระอาจารย์บอกว่าก็ ทำตัวเหมือนตุ๊กตาไปอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาบอกว่าทำไมเหมือนยิ้มยิ้มอะไรไปอยู่ได้เราก็อ๋อคือคือเข้าใจขาพระอาจารย์ก็แต่งตัวไปนูน่นนี่นั่นมันก็เหมือนตุ๊กตาไขาลานหรือเปล่าตัว เ, เร า, ราอะไรเป็นกิริยเป็นกิริยาไม่มีอารมณ์กับการกระทํำค่ะค่ะอาจารย์แต่ก็คือต้องต้องได้ไปไปทําในทางลกูกอ่ะค่ะพระอาจารย์เพราว่า เอออาจจะเป็นความหวังคาดหวังของหลายๆคนแต่หนูก็ไม่คาดหวังกับใครเพราะว่าเขากลัวว่าอ่าทาหน้าที่ไปค่ะเขากลัวหนูจะจะไปก็จะทิ้งก็จะทิ้งทุกคนไปหมดเลยใช่ค่ะตอนเมื่อกี้เขาก็ยังบอกว่าอย่าไปไหนนะคนแก่คือถ้าไม่มีเราเขาอยู่ไม่ได้หนูก็ หนูก็บอกเอาแต่ยังไงเขาก็ต้องอยู่ได้ครับอาจารย์หนูก็ถ้าเกิดตายไปเขาจะทํำยัำยงไงใช่ไหมค่ ะ, คะหนูก็ไม่พูดอะไรหนูว่าก็ต้องอยู่ก็อยู่ตามที่ที่ตัวเองเป็นตามตามบุญตามกรรมค่ะตามบุญตามกรรมแต่เขาก็พยายามยึดยึดเราไว้อาจารย์หนูก็ไม่ได้อะไรเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะควบคุมอะไรได้ค่ะ ค่ะหนูก็เขายังหลงอยู่ยังไม่รู้จักวิธีปล่อยวางเนี่ค่ะเหมือนยึดว่ากลัวเราตายก่อนกลัวเราจะไปไหนก่อนอะไรอย่างนี้ค่ะพระอาจารย์หนูก็มันไม่ช่วยเขาไม่ได้แล้วก็ช่วยเขาเท่าเท่าที่เราอยู่ได้เท่าที่เราอยู่วัเราไปก็ต้องไปมันถึงมันเราต้องไปก็ต้องไปค่ะหนูว่าหนูว่าเข้าใจค่ะพอาจารย์แต่ว่า ก็ไม่เป็นไรค่ะอาจารย์เพราะว่านั้นคือไม่ว่าจะเป็นสามีลูกหลานหรืออะไรอย่างเงี้ยพ่อแม่พ่อหนูทําหน้าที่หนูคิดว่าหนูทําหน้าที่ให้ดีพอแล้วค่ะพระอาจารย์อ mm ื hmm. แล้วก็ค่ะเ mm hmm. มตตาหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาถ้ามันเยอะไปหนูก็บางทีเหนื่อยเหมือนที่พระอาจารย์บอกก็ต้องอเบียดขาร่วมด้วยอ่ะค่ะอาจารย์อ๋อไม่มีค่ะพระอาจ า, mm hmm. okay. ารย mm ์ไม่มีอะไร หนูก็ได้ทำมาจากพระอาจารย์เยอะมาก <Okay. S 2> ทําให้หนูเห็นอะไรเยอะค <Yeah. S 2> ่ะพระอาจารย์หนูก็จะไปเรื่อกับาพระอาจารย์คุณมาริการก็ต้องเมตตาเหมือนกันนะมาริการเมตตาคุณพ่อนะกลาบนาาาาาาาา้มัตการเจ้าค่ะพระอาจารย์ค่ะพระอาจารย์ก็ก็เมตตาค่ะพระอาจารย์ก็ก็ได้ได้ก็ได้เยอะมากด้วย อันนี้ส่งผลบุญวันนี้นั่นมีคําถามนะคะพระอาจารย์แต่ว่าถ้าสมมติว่าเราไปแนะนําให้เขาสวดบุญไหว้พระให้เขามีการเจริญเมตตภาวนานี้แบบนี้นั้นเราเป็นการสร้างบุญสร้างบารมีด้วยหรือเปล่าเจ้าคะพอาจารย์ก็อยู่ที่ว่าเขาต้องการหรือเปล่าถ้าเราบัญญัติเยียนให้เขานี่มันไม่ถูกนะ แบบม่เขาก็านําไปปฏิบัติอยู่เจ้าค่ะพระอาจารย์คือเขาต้องหมายว่าเขาอยากจะรู้อย่างนี้แล้วเราก็บอกเขาไปอ <Okay. S 2> ต่คนเขาอยู่ดีๆไม่รู้ไม่ชี้เราไปบอกเขาเนีไงมันก็มันไม่ถูกกาลเทศะนแต่เขาก็รับที่จะปฏิบัติที่จะทำถ้อเขารับไปแล้วก็ไปปฏิบัติได้ก็ดีมันก็เป็นธรรมทานเป็นการให้ธรรมทานเหมือนกับที่พระเจ้าสอนธรรมะ เพีแต่เราต้องระวังอย่าไปะยัดเยียดให้เขา แ, แต่นีีเขาจะรับเพราะอาจจะเกิดเกิดความรังเกียดความไม่ยินดีก็ได้ถ้าอย่างนั้นก็ไม่ควรจุดนั้นจุดนั้นเป็นการผ่านมาแล้วประมาณเป็นเกือบสิบปีแล้วค่ะพระอาจารย์เพราะว่าเป็นคนที่ชอบตั้งคำถามมาตั้งแต่สมัยตอนที่รัยรุ่นจะถามคุณตาว่าคุณตาแล้ว คุณตาไม่ไม่โกรธใครเลยเหรอทําไมต้องไม่โกรธคนอื่นด้วยเห็นพวกเรานี่ชอบโกรธเห็นคุณตา ก, ก็นิ่งไม่พูดอะไรไม่ไม่ต่อว่าคุณยายเลยคุณยายทําผิดโก้คุณตา ก, ก็นิ่งเขาก็สงสัยก็ตั้งนั้นเรามาพอตัวเองไปสนใจในเรื่องการปฏิบัติตั้งแต่เล็กๆ ก, ก็คือเราจะเห็นแต่ญาติผู้ใหญ่นะครรับพะอาจารย์ผิวผัน แล้วก็อาจจะว่ามเป็นหลงหลงตรงนั้ น, นะค่ครับพี่จก็คือก็ผิวพรรณผ่องมากก็คืออายุเกือบร้อยผู้จาก็ดีผู้จาก็เพราะแล้วก็ผิวก็สวยยิ้มหวานอะไรลักษณะนยอน่างนะมองก็คือเกิดกับอยู่กับปู่ปูญญาตายายนะพอาจย์ตั้งแต่สมัยดเด็กๆก็นั้นก็เลยติดใจก็นั้นพอถึงว่าเราพอปฏิบัติแล้วก็ ไปแนะนำให้คนอื่นเช่นน้องสาวบ้างเลยว่าเขาไม่ปฏิบัติเราเสียใจกับอาจารย์ตอนนั้นแต่พอได้ตอนนี้พอได้เจอพระอาจารย์ตั้งแต่ก็สีห้าปีแล้วคนระาจารย์เนาะก็้วก็คือก็ว่าเอาเราหลงโง่มาตั้งนานแนละ้วที่เราต้องอทุกกับเรื่องในเรื่องของที่ไม่เป็นเรื่องแต่ว่าก็ถามว่าถ้าเราไม่เจอในสิ่งเหล่านั้นเราไม่ทุกข์เราก็ไม่หา สัจธรรมแห่งชีวิตเจ้าข้พาพเจ้าจ่ายขอบคุณครับเรถ้าเราไม่ทุกข์เราก็ไม่ต้องไปติ้นหาวิธีดับทุกข์แต่พอเราเจอทุกข์เนี่ยเราก็ต้องหาวิธีดับทุกข์คือปัญญาใช่เจ้าข้พาพเจ้าทุกข์บอกมีปัญญาจะไม่เกิดเนะใช่เจ้าข้า <Quand S 1> พเจ้าพอมีทุกข์เนี่ยมันก็ลงที่เราหาเพราะเครื่องที่จะดับทุกข์ได้ก็คือปัญญาใช่เจ้าข่าพรเจาย์ก็นี่มันเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นเรื่องของความจริงที่ แบบว่าคล้ายๆแต่ว่าเป็นตัวทิ่ต่อที่ต่อต่อต่อต่อกันมาเหมือนก็จะเล่าถึงว่าสมัยตอนที่เป็นเด็กเอาําบาทนะครับอาจารย์กว่าจะได้เรียนจบอะไรโน้นก็อายุตั้งสามสิบปีแต่ว่าพระอาจารย์เรียนเไปหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดแล้วก็ต้องมาหาเงินแล้วก็มาเรียนต่ออะไรประมาณนั้นนะครับอาจารย์แล้วก็ได้บุญด้วยบุศสได้ว่าคิงได้ทํางานอายุราชการแค่ยี่สิบสามปีก็ถือว่าก็โอเคนัถึงในจุดนั้นแล้วก็ ตัวเองนั้นจะได้ไปเรียนต่อให้ hey, จบปัญญาโทษนะคะพรอาจารย์ไม่ใช่เรื่องของตัวเองมาเล่าก็คือแต่ว่าไม่รู้ว่าเออไปเรียนต่อมันจะโทรกลับมาแล้วก็มันไม่ได้อะไรเลยพระอาจารย์ในในความไม่ใช่ว่าไม่ได้อะไรตรงไหนก็คือเรายังมาทุกเรามาทุกเราต้อ ง, ต, องต้องเพียรหาอีกต้องหาหาอีกว่าเออเราจะต้องติดเจอน่นต้องเจอใครสักคนหนึ่งที่ที่จะสอนเราให้เราให้เราเ ร, า ร, ารู้ให รู้ที่ที่ความทุกข์ของเราในใจนี้ให้มันดับลงได้ในที่สุดนั่มายถึพระอาจารย์ด้วยแล้วเจ้าค่ะพระจารย์ก็ก็ได้นาข้อคิดข้ออะไรกนํามาปฏิบัติตามคําสอนของพระอาจารย์อยู่เสมอที่ว่าพระอาจารย์การตั้งจิตอธิษฐานก็ก็ยังทำด้วยถึงแม้นว่าได้น้อยก็ก็พยายามกับพระอาจารย์นั่นเหมือนกับพระอาจารย์หนูเคยบอกพระอาจารย์ว่ารู้สึกตัวขึ้นมาตอนที่ว่า ดีหนึ่งดีสองดีสองดีสามเลยได้ว่าพ่อลุกขึ้นแล้วก็เราก็ลุกขึ้นมาแล้วก็พยายามที่ปฏิบัติได้ตามที่ปฏิบัติค่ะพระอาจารย์แล้วตั้งวันในช่วงนี้ตั้งแต่วันจันทร์เป็นต้นมาแล้วพระอาจารย์ก็เป็นญาตก็เสียแล้วทีนี้ก็พวกจัดงานก็คือครั้งแรกนะก็คือเขาจนะาจไม่จัด ง, งานใหญ่ในที่สุดก็มีเกี่ยวกับพระราชทานมาด้วยเพราหูงานหนักมากเลยค่พะพะอาจารย์ ก็เลยว่าโอ้โหมนี่มันเป็นเรื่องของมันบางทีก็มันร้ายประโยชน์กับอาจารย์ว่าพอเราถึงตอนนี้โอ้มันร้ายประโยชน์จังเลยเนาะแบบเออตายแล้วตายไปแล้วแล้วพวกเราก็มันต้องเหนื่อยอีกอะไรประมาณนั้นจช่ไหมอาจารย์ก็แลวแต่นะเออเหล่งได้ก็เหล่งเห่งไม่ได้ก็ต้องก็ต้องอยู่กับมันไปเจ้าค่ะอุณลูกนนะ โอเคต่อจอยต่อจอยยังไงพาแฟนมาใส่บาได้เไ้า็เลยเขาบอกว่าเขาจะมาเองหนูไม่ได้บอกเขาเพราะว่าเหมือนที่ว่าอาจารย์สอนนะเขาเป็นส้มหนูถ้าเป็นกล้วยหนูก็เหนื่อยหนูก็เลี้ยงแล้วแต่ออยากจะมาก็มานะให้มากให้มากเดีกเขาเขาบอกเออเขาอยากมาใส่หนูก็เลยบอกเออก็มาก็มาแล้วก็แล้วบางพระหนูก็พาลูกไปใส่อีก อ mm hmm. ค่ะ <Hey. S 2> ก็ตอนนี้หนูก็ถ้าถ้าด้านจิตใจก็ก็วางลงได้เยอะแต่ว่าเริ่มปฏิบัติแต่ว่าเพื่อนจะชวนไปบวชอีกค่ะแต่ว่ายังดูเวลาไม่มีใครอยู่กับเด็กๆกลัวเขาบ่นว่าเธอทิ <of> ้งลูกไปอีกแล้วอะไรอย mm ่างเงี้ยเพราะว่าคนโตเขากลับไปเรียนตอนนี้เขาเรียนหนักมากปีสามแล้วคะ่ะอ mm ืห hmm. นูก็ยังรังเลยอยู่เพราะว่าเดือนหน้ามันมีวันพายใหญ่ใช่ไหมคะ่ะ เลยมีะนะผมก็มาไม่ได้ก็เล้งเขาไปก่อนเลี้ยงื่อไปก่อนไม่ได้แต่หนูก็ยังคิดอยู่ว่าอยากไปเข้าไปแล้วมันดีก็มาบ้างก็ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ใชใชทิ้งเขาตลาดไปลาที่ไหนใช่ค่ะหนูก็เลยคิดอยู่ว่าขอให้มีเงินแต่จะจ้างคนไปอยู่คิดคิดไปค่ะถ้ามีก็คือหนูจองไปเลยโอเคพอใจหนูก็อยากอยากไปอยู่แล้วด้วย <Okay. S 1> ค่ะ เนึนุ่มไปใส่บาตรตอนพระตอนพระหน้าวันอังคารซึ่งหมใช่ใอ่ค่ะสวัสดค่ะคุณหมอสุทัศนีเป็นยังไงสงบดีสบายดีสงบดีสบายดีเจ้าค่ะอืไม่มีปัญหาอะไรไม่มีปัญหาอะไรเจ้าค่ะท่านพระอาจารย์โอเคขอบพระคุณเจ้าค่ะอย่าท้าทุกอย่ ขายต่ออาจารย์สุภัสตากาบนมัสการพอาจารย์เจ้าชะวันนี้มีลูกศิษย์เข้ามาเรียนกี่คนมีสี่คนเจ้าค่ะก็ต้องใช้เวลาหน่ะต่อไปก็อาจจะเห็นประโยชน์ของเราเดี๋ยวเขาไปบอกเพื่อนเพื่อนไปเดี๋ยวก็จะเข้ามากันเยอะเอง ลูกลูกตั้งบอกลูกบอกเขาว่าตอนที่ลูกไปสอนเขาลูกบอกว่าถ้าใครเข้ามาเรียนเดี๋ยวครูให้คะแนนโบนัสมีอินเซนティブเดี่ยมีมี <laughs> มี ม, ม, ม, ม, ม, มีมีบอกเขาไว้เจ้าค่ะก็บอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้คะแนนเพิ่มนะใครเข้ามาเรียนตอนตอนกลางคืนเดี๋ยวให้คะแนนเพิ่ม <laughs> มีติดสินบน <laughs> ก็อยากให้เขาเข้ามาเจ้าคะให้มาเสริมภาษาอังกฤษเพราะว่าที่มหาวิทยาลัยก็อยากให้เขาสอบโทอีกกันได้่ะเจ้าคะก็เลยมาเสริมเพิ่มฝึกบารามีทุกอย่างเลยทุกทุกบาลมีพยายามทุกอย่างพยายามเจ้าะตามสถานการณ์มีขันตีขันตีนี่เยอะคันตีเยอะตอนนี้ ที่สนนี้ค่ะสอนเรื่องพูดกันเนื่อง conversational เนี่ยได้แล้วค่ะก็สอนลักษณะเหมือนแบบเหมือนกับให้เขาเตรียมสอบโทอีกด้วยเจ้าค่ะภาษาอังกฤษก็คือโทอีกเขาให้ให้ตอนนี้รู้สึกคืออยากให้นักศึกษาเจ็ดร้อยคะแนนขึ้นไปเจ้าค่ะเวลาสอบเหมือนสอบโทเฟลเจ้าค่ะแต่ว่าโทอีกจะง่ายกว่าโทเฟลเจ้าค่ะ ก็เกี่ยวกับโปรแกร ม, มพวกนี้ด้วยใช่เจ้าค่ะจะโทอีกจะเน้นเรื่องของอาการฟังแล้วก็ไวยากรณ์พวกการสื่อสาร<ม>เจ้าค่ะจะหนักหนักหน่อย<ม>แล้วค่ะการฟังเยอะหน่อยก็ที่มหาวิทยาลัยเขาคะแนนผ่านคือเจ็ดเจ็ดร้อยกว่าเจ้าค่ะถือถึงว่าผ่าน<ม>นะคะก็ลเลยเลยต้องมาสอนเพิ่มคือเวลาสอนนี้จะมีคนค น, ค น, ค, นคนพูดคำถาม ให้ฟังให้เขาฟังใช่ไหมอ๋อเปิดเป็นเทปเจ้าค่ะเขาก็จะมีสอบเหมือนของโทเฟลก็คือจะไปสอบที่เขาจะมีข้อสอบเป็นมาตรฐานเลยเจ้าค่ะอของทุกประเทศก็จะใช้ข้อสอบเหมือนกันเจ้าค่ะแล้วก็ให้เขานักศึกษาก็จะสมัครลงว่าจะสอบเมื่อไหร่เขาก็มีมีเปิดเทปเจ้าค่ะเปิดเทปการฟังก็เปิ ด, เ, ปดเทปแล้วก็ไบายากรณ์ก็ทําตามในในข้อสอบไปเลยเจ้าค่ะ คะแนนเต็มเท่าไหร่คะแนนเต็มเก้าร้อยเท่าไหร่ไม่ทราบเจ้าค่ะลูกลูกก็ต้องไปสอบมาก่อนต้องไปทดลองสอบมาก่อนเจ้าค่ะหนึ่งหนึ่งวนสอนเขาได้แล้วยังได้เท่าไหร่ได้เจ้าค่ะได้แปดแปดร้อยสิบห้ามั้งเจ้าค่ะไม่เสียชื่อนะไม่เสีย ต้องรีบไปสอบเจ้าค่ะกลับมาใหม่ๆรีบไปสอบเลยกลัวกลัวลืมเจ้าค่ะก็ก็ก็ก็ก็เลยเขาก็เลยให้มามาติวเนี่น่จะเะว่าได้แปดร้อยขึ้นไปก็เลยต้องมาติวตอนี้สี่คนเนี๋ยวที่น่าจะเป็นแปดคนก็แล้เดี๋ยวต้องไปติดสินบนนักศึกษาต่อบอกมานะเดี๋ยวให้คะแนน เออเจ้าค่ะก็ดีใจสี่คนกี่คนก็สอนเจ้าค่ะก็เปิดทิ้งไว้สัปดาห์ที่แล้วไม่เข้ามาเลยสอปตาห์ที่แล้วไม่มีใครเข้ามาเลยลูกก็อยู่ถึงนั่ะเจ้าค่ะถึงถึงทุ่มสี่สิบสี่สิบนาทีอืมไปไปเจ้าค่ะเป็นการทําวิทยาทานนะให้วิทยาให้ความรู้ภาษาอังกฤษ เจ้าค่ะก็สนุกสนุกเจ้าค่ะสนุกไปเรื่อยเจ้าค่ะสนุกทุกอย่างเลยขันตีทุกอย่างขันตีตอนนี้อืมจ้าค่ะขันตีอ ย, นอย่าไวหวังอะไรมากมันจะไม่เสียใ จ, ย, จยินดีตามมีตามเกิดอ่าทันดดวนเจ้าะรุ้งเลยต้องมารับพลังกับพระอาจารย์ต้องมาเห็นหน้าพระอาจารย์เ้าค่ะมาเตือนสติ เจ้าค่ะ <Okay. S 2> น้องนำเจ้าค่ะน้องนำคำสอนเจ้าค่ะมีอะไรนะไม่มีอะไรนะ่ไะเจค่ะกลับขอบคุณเจ้าค่ะโอเค ค, okay. คุณแอนตอบคุณแอนอางานที่ทิราไปย้อนไปเปิดฟังดูว่าเป็นเสียงของเขาเปล่าเป็นพิธีการเจ้าค่ะย้อนเจ้าค่ะแต่หนูไปลองพิจารณาดูฟังหนูคิดว่าน่าจะเป็นเสียงเอ็กโคของหลวงพ่อนั่นหรือเปล่าไหมสักหน่อยมองในแง่นะดี <Yeah. S 2> คือคือฟังใน YouTube หนูไม่ไม่ไม่ใน ไ, ไ, ไ, ไม่ได้ยินแต่พอเปิเปดในเฟซบุ o กคิดว่าค่ะคิดว่าเป็นเสียงหลวงพ่อ yeah. แต่มีเสียงใช่ตอนนี้เข้ามาเอ่อมีค่ะคือมันในยูทูบอะหนูไม่ได้ยินมันจะเหมือนขาดหายไปหนูก็ลองไปเปิดใน a ฟ e b o o k ดูก็ได้ยินเหมือนจะแบบเมือนงงยังงๆมาแต่แต่ก็บอกตัวเงว่าน่าจะเป็นเสียงหลวงพ่อหรือเปล่าอืมตอนนะี้คิดว่าเป็นโยมพ่อของข <laughs> องวันจะเข้ามาคุย <laughs> ดูค่ะค่ะ ไม่ใช่เลยเจ้าค่ะก็ก็ไปย้อนฟังดูก็ไม่เป็นไรมันจะเป็นอะไระก็พิจารณาเป็นตายลากไปกันแล้วลกันแต่แต่ว่าที่ที่หนูเรียนบอกหลวงพ่อหนูหนูหนูมานั่งคิดดูคือเสียงจะเป็นเสียงของใครคือมันไม่ไม่ได้ไม่ได้สําคัญสําหรับหนูแต่หนูเพรว่ารู้สึกวันนั้นคือคือดีใจที่ ท, ที่ได้หลวงพ่อที่ได้เข้าซูมวันนั้นนะคะคือเหมือนกับมันก็ตลกดีค่ะหลวงพ่อคือหนูว่านั่งคิดมาตลอดเลยก่อนที่จะเข้าซูมที่บ้านอะไรเงี้ยนะคะหนูคิดบอกอุ้ย ถ้าได้ได้ซูมกับหลวงพอ่พอที่นี่ก็ดีเนาะถ้าหลวงพ่อมีอะไรทักขึ้นมาอยากรู้ว่ามันจะมีอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือแต่หนูก็คิดในใจว่าหลวงพ่อปกติหลวงพ่อจะไ ม, ไม่ไม่ไม่ไม่คุยเรื่องผีสางใช่ไหมคะเหมือนกับไม่ให้เราเชื่ออะไรไม่ให้ไปคิดถึงอะไรเงี้ย แ, แต่วันนั้นหลวงพอ่อวันนั้นอยู่ดีหลวงพ่อพูดขึ้นมาแบบหรือว่าเขาจะรู้หรือว่าเขาจะรู้ว่าหนูอยากจะแบบหนูอยากให้หลวงพ่อเผื่อจะมีอะไรทักอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยอ้าวมา ให้ได้ให้งพ่อทักเลยอะไรเงี hey, ้ยค่ะค่ะทักจริงจริงเลยก็แปลดีก็แปลกดีนะค่ะหนูก็เอ้แล้วมานั่งคิดหนูร้อยวันพันปีฟังฟังเทสของหลวงพ่อไปฟังเทสอะไรเงี้ยหลวงพ่อจะพยายามเหมือนกับว่าไม่ไม่ไม่ให้ไม่ให้เราอ่กลัวพวกผีใช่ไหมคะไม่ให้ไม่ให้พูดถึงอะไรเงี้ยก็ให้คิดไปว่ามันเป็นเป็นเป็นอะไรที่ก็แค่รการธรรมชาตินะใช่เจ้าค่ะแต่ว่านั้นหลวงพ่อทักขึ้นมาหนูแบบ ก็คงอาจจะต้องมีบ้างแหละมัง้งแล้วมีอะไรเมื่อวันจากที่เลืกสูงไม่ได้มีไม่มีค่ะไม่มีนะไม่มีค่ะคนอื่นเขาเขาจะเห็นกันเขาจะชอบแบบพวกเด็กเขาแบบเด็กเด็กเข้ามาวิ่งเล่นแถวบ้านไงค่ะเขาก็ชอบอกเขาก็ชอบไปไปคุยใครอยู่ในบ้านก็ไม่รู้เนี่ยม อ, อกมาแต่หนูอยู่กรุงเทพตลอดหนูไม่เคยหนูก็แบบเวลาขึ้นไปที่บ้านทีหนึง่งพวกชาวบ้านเขาจะมาเล่าให้ฟังเนี้ยค่ะแต่หนูก็จะไม่ได้ไม่ได้กลัว ก็ก็ได้มานั่งสมาธิเมื่อก่อนหนูไม่กล้านั่งใช่ไหมคะที่หนูบอกหลวงพ่อตอนก่อนจะได้มามาปฏิบัติมาเจอหลวงพ่อะค่ะหนูไม่กล้านั่งสมาธิที่ไหนเลยเพราะว่ากลัวคิดไปเองแต่ว่าพอพอเริ่มเนี่ยหนูมาหนูไปที่บ้านเมื่อปีที่แล้วหนูลองตัดสินใจลองนั่งสมาธิดูค่ะ mm hmm. ก็ไม่มีอะไรสบาย mm hmm. ก, ก, ก็เดี๋ยวนี้ไปที่ไหนก็นั่งได้หมดเลย สรุปก็คือเราคิดปรุงแต่งไว้เราคิดปรุงแต่งอะใช่ค่ะก็ก็ต้องขอบคุณหลวงพ่อค่ะทําให้หนูแบบกลายเป็นคนที่ที่กล้าที่จะที่ปฏิบัติเป็นแล้วก็การที่จะนั่งสมาธิได้อะค่ะได้ได้ได้ได้คําสอนที่ถูกทางอะค่ะอืมค่ะนี้กลับมาอะไรเรื่งอยู่ที่เชียงใหม่เหรอตอนนี้มาญี่ปุ่นแล้วค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปนิวยอร์กนะค่ะกลับมาบินแล้วค่ะ ค่ะนิวค่ะแต่นิวยอร์กไปแล้วดีเจ้าค่ะเพราะว่าอได้พักเยอะส่วนใหญ่เวลาไปนิวยอร์กหนูได้ได้ได้นอนได้นั่งสมาธิทั้งทั้งวันแบบได้แบบเข้าเข้ า, ขาออกอเนี้ยค่ะมีเวลาให้ให้ปฏิบัติเยอะส่วนใหญ่ยัไม่ได้ออกไปข้างนอกอยู่อ ย, อ ย, อยู่ตามที่พภาคต่างค่ะหนูไม่ไม่ไปไหนแล้วค่ะหลวงพ่อบินเดี๋ยวนี้เราเราเร า, เราบินเราเที่ยวมาตอนสมัยเด็กๆ ก, ก็เที่ยวเยอะแล้วเดี๋ยวนี้ ไปที่ไหนก็แค่นอนนอนแล้วก็ออกไปซื้อของกินแล้วกลับมานอนพักผ่อนแค่นั้นเลยค่ะนิวยออกตอนนี้เห็นเขาว่าหนาวมากด้วยค่ะติดลบหมดเลยผู้โดยสารแต่ข้อดีคือพรุ่งนี้ผู้โดยสารหนูน้อยมากเพราะว่าน่าจะหนีหนีพายุหิมะกันนะแบบไม่ไม่ไม่มีคนเดินทางค่ะไม่ไปนะไม่ไปกันนะค่ะแต่แบบพวกบิสเนสแมนเยอะค่ะแบบบิสเนสคลาสเต็มเลยแต่ว่าเอคนอเนี่ไม่ ครึ่งของครึ่งอะคับแปลกใจมากเลยไม่เคยเจอผู้โดยสารน้อยขนาดนี้คงจะเปลี่ยนใจไม่น่าจะมันหนาวไปก็ไม่ได้ไปเที่ยวม่มองใช่ค่ะแล้วก็เห็นมีเขาเรียกอะไรนะอากาศอากาศ f o r แคสต์ไว้ว่าน่าจะมีหิมะตกหนักใช่ค่ะเขาก็เลยน่าจะหนีกันไม่เดินทางกันช่วงนี้ค่ะ นอกจากคนที่จะเป็นต้องไปธรรมะกินแล้วเราไปพวกแบบใช่ค่ะค่ ะ, ค ะ, คะก็แบบบิสเนสคลาสเต็มเอี่ยดค่ะก็วันส้วงนี้หนูปฏิบัติหนูมีมีมีมารายงานหลวงพ่อเจ้าค่ะที่หนูบอกหลวงพ่อว่าเดือนที่ผ่านมาหนูพยายามจะหยุดใช้วิธีหยุดคิดใช่ไหมคะหลวงพ่ อ, อแล้วก็ก็ดีขึ้นค่ะเดี๋ยวนี้คือสามารถหยุดคิดได้ได้ไ ด, ได้ได้นานขึ้นแล้วก็เร็วขึ้น แต่มันจะมีบางวันที่ที่เหมือนกับแบบทําไม่ได้เลยองเงี้ยค่ะหนูก็เลยมานั่งคิ ด, ดว่าทําไมบางวันมันทําได้บางวันมันทําไม่ได้แล่วก็เลยมาวันวันก่อนอนะ่ะหนูรู้สึกว่าเหมือนเหมือนวันที่หนูทําไม่ได้เหมือนหนูไปไปหลอกตัวเองว่าให้หยุดคิดนะคะหลวงพ่อเหมือนกับหยุดคิดบอกจิตจะบอกให้ให้หยุดคิดอีกที น, นึงนะคะ่ะหลวงพ่าคือจิตมันไม่ได้หยุดจริงๆค่ะแต่มันมันบอกมันบอกเราให้หยุดคิดอ่ะมันก็เลยเหมือนเหมือน หยุดไม่ได้ปรุงแต่งฟุง้งไปเรื่อยเลยค่ะก็เลยก็เลยแบบบางทีเลยมานั่งนั่งพิจารณาดูว่าเออก็เรียกอะไรบา ง, งทีมันเหมือนมีทฤษฎีอยู่ในหัวค่ะหลวงพอ่อแต่หลายหลายอย่างเราทําเราทํเาเรานึกว่าเราทําได้แต่จริงมันมั น, ม, นมันเป็นมันเป็นการลึกคิดไปเองอะคะ่ะมันไม่ได้ทําได้จริงๆค่ะหลวงพอ่อหนูจะพูดยังไงดีอะแบบเหมือนหยุด เป็นจินตนาการใช่ใช่เหมือนมันเป็นจินตนาการว่าเราทําได้จริงจริงมันยังทําไม่ได้อะค่ะจิตมันไม่ได้อยู่จริงๆริอะค่ะหลวงพ่อก็เลยกติเรากติเรายังไม่เสถียรยังไม่ต่อเนื่องมันก็เกิดดำดำอยู่ะแต่เราหยุดคิดไม่ได้เรต้องใช้คำอะไรคมเข้ามาช่วยค่ะนี่หนูก็เลยเลยเลยเออเอาเอาพุทโธเข้ามากลับมาอีกรอบหนึ่งค่ะช่วงช่วงเริ่มนั่งอะค่ะจะพุทโธ กลมหายใจคู่กันไปใช่ไหมคะแล้วก็พอเริ่ ม, มพอเริ่มนิ่งก็ถึงค่อยหยุดแล้วก็กลับมาที่ทที่หยุดคิดอีกดับหยุดคิดเฉยๆะคะ่ะ<ม>ก็เหมือน<ม>เหมือนเหมือนพยายามหาทางค่ะหลวงพ่อหาคำตอบให้ให้ตัวเองว่าทำไมมันมันปฏิบัติไม่ไม่สำเร็จสักทีอะไรเงี<ม>้ยค่ะก็เลยเลยรู้ว่าเราเรามันบางทีมันเป็นแค่จินตนาการเป็นความคิดว่า ว่าเราหยุดคิดได้จริงๆเราเรายังไม่ได้หยุดคิดอ่ะมันยังคิดไปอยู่สเต็มารมณ์จมันไม่พร้อมจะหยุดคิดมันกางหยุดไม่ได้ค่ะค่ะแต่แต่ว่าแต่ว่าดีขึ้นเจ้าค่ะหลวงพ่อมมันมันจะเป็นเป็นบางวันแต่ว่าถ้าหยุดคิดได้ก็หยุดคิดได้เลยก็รู้สึกว่ามันมันมีความมันมีความเริ่มจะดิ่งเข้าไปแต่ก็ก็ยังเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าไม่ได้ไม่ให้รู้เฉยๆค่ะแต่ว่าแต่ว่าเริ่มแต่ว่าไม่มีความอยากที่จะ ที่จะดิ่งเข้าไปแล้วอะค่ะคือมันก็มีความดิ่งขึ้นมาเองเห็นว่ามันมันเริ่มจะเข้าแล้วแต่ว่าตัวเราเองนี่แหละที่สติมันยังไม่ได้อะค่ะมันก็เลยหยุดแล้วก็พุบกลับออกมาอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่ไม่ได้มีไม่ได้ไม่ได้ออกไม่ได้มีความอยากแล้วว่าเอ้ยพยายามจะเข้าไปให้ได้เงี้ยค่ะอืมค่ะตอนที่หยุดขี้นี่ทำอะไรต้องจะหยุดขี้แล้วดูอะไรหรือเปล่าแล้วว่าไม่ต้องดูอะไร คือคือหนูจะมีสองอย่างค่ะคือถ้าถ้าระหว่างวันเนี้ยค่ะสมมุติถ้าเดินนั่งอยู่บนรถไฟหรือเดินไปไหนทําำไงหนูก็จะแบบลองลองนั่งเฉยเฉยแล้วก็คือหยุดหยุดเลยไม่คิดอะไรเลย 1> 1> แ, ล Chat, แล้วก็แค่มองมองมองแล้วก็มองเห็นแล้วเรามองแล้วก็บ้ามันดับไปแล้วดับไปแล้วเลยค่ะไม่ไม่ได้ไปหยุดติดกับสิ่งที่เราเห็นอย่าเงี้ยค่ะคือคือบอกเลยว่าเห็นแล้วก็ดับเห็นแล้วก็ดับอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ไม่ไม่ไม่ปรุงแต่งอะไรแต่ว่าถ้าเวลานั่งสมาธิก็คือ นั่งแล้วหลับตาปุ๊บ ก, ก็คือหยุดหยุดคิดเลยค่ะหลวงพ่อคือไม่ไม่คิดอะไรเลยแล้วก็อยู่กับแค่ลมหายใจเลยอยู่กับลมหายใจอืมใช่ค่ะแต่ว่าด้วยความที่บางทีก็ดูดลมหายใจเลยไม่ได้หนูก็ก็เลยเอาพุโทโธเข้ามาควบคู่ด้วยค่ะถูกต้องถ้าถ้าหยุดคิดแล้วมันก็ต้องอยู่กับต้องรู้อะไรทักอย่างรู้ลมค่าลมบางทีเหมือนเอาไม่อยู่หนูก็ก็เลย เอาพุทธมาช่วยใช่ค่ะแล้วแต่วันจริงๆค่ะหลวงพ่อบางวันก็เออหยุดคิดมั น, มนก็สงบได้นะคะแต่บางวันก็คือต้องเอาพุโทโธมาช่วยก่อนอืแล้วถึงค่อยเป็นสเต็ปไปว่าหยุดพุทโธแล้วก็ดูลมอย่างเดียวอะไรเงี้ยค่ะอแต่มันก็แต่หนูเมันก็ยังติดอยู่แค่ตรงนั้นนะคะพอเริ่มจะดิ่งแล้วมันก็จะกลับไปกลับมาอยู่เงี้ยค่ะพยายามดูลมไปเรื่อยๆอ ย, อย่าเปลี่ยนดูที่จุดเดียว <ะ>จุดจุดที่เราเห็นสัมพันธ์ลมเข้าออกได้ให้อยู่ที่ตรงจุดนั้นไปเรื่อยๆโด<ะ>ยที่ไม่ต้องคิดอะไรให้รู้เฉยๆรูล้ลมเฉยๆเจ้าค่ะหลวงพ่อเดี๋ยวจะลองพยายามแต่นี่หนูตีให ม, ม่นี่หนูได้นั่งทุกวันเลยเจ้าค่ะรู้สึกเหมือนติดติดว่าบอกอืมบอกเองว่าพอไม่นั่งแล้วรู้สึกผิดอะค่ะวันนี้ยังไม่ได้นั่งอย่างเงี้ยก็จะนอนยังน้อยก็ต้องนั่งสักรอบหนึ่งก่อนนอนอยนะ่างเงี้ยค่ะ จะนั่งวันไหนทั้งง่วงแทั้งง่วงนี่รู้เลยง่วงก็คือวันนั้นจะนั่งได้แค่ไม่ถึงยี่สิบนาทีก็ต้องหลับแล้ะไม่ฝืนไม่ได้ค่ะแต่ถ้าวันไหนนั่งดีๆก็คื อ, อ, อได้สี่สิบสี่สิบห้านาทีขึ้นไปเงี้ยค่ะอืแต่ก็ยังได้แทได้เท่านี้ค่ะหลวงพ่อ ท, ที่ที่เรียนหลวงพ่อเนี่ยค่ะอ่าแค่นี้ก่อนทำอย่างงี้ค่ะเจ้าค่ะจะพยายามไปเรื่อยๆเจ้าค่ะหลวงพ่อบางน้อยฉันโดยไปก่อน มักน่สนทุดเจ้าค่ะหลวงพ่อจะพยายามปฏิบัติน้อมนําคําสอนของพ่อตลอดเจ้าค่ะเอามาปฏิบัติเจ้าค่ะถูกเจคุณค่ะเดี๋ยวมันก็จะเพิ่มขึ้นไปได้เลยปฏิบัติไปเรื่อ่าทุกเจ้าค่ะหนูจะพยายามต่อไปเจ้าค่ะอืมอ่าใครต่อคนฟังอะไรเช่ฟังอะไรกล่าวน้ำมัศการเจ้าค่ะมาฟังทำเจ้าค่ะตอนนี้อยู่ในโหมดเนเจ้าค่ะ อยู่อะไนะอยู่ในโหมดของความเย็นเจ้าค่ะยอมหยุดหย็นค่ะถึงขั้นเย็นแล้วเลยยอมไปแล้วหยุดไปแล้วเลยค่ะอืใครจะว่าไงก็เฉยนะไม่สนใจค่ะมีถึงแม้ว่าจะมีเริ่มจะมีความรู้สึกแต่ว่าพอสติมันดึงได้ค่ะมันก็เลยทําให้เราอยู่ในโหมดเย็นได้ค่ะเย็นก็คือเบรคขาเองนะต่อค่ะนี่ช่วงช่วงหลังมี มีเออ่ความฝันบ่อยเจ้าค่ะแต่ฝันเหมือนว่าไปแต่ละที่แล้วตื่นมามันก็เหนื่อยนะคะแต่ว่ามันมันก็เหมือนกับเป็นความฝันทั่ ว, วไปคืนล่าสุดฝันว่าไปฟังทำพระอาจารย์อยู่ที่ที่หนึ่งอะค่ะพอมาตื่นขึ้นได้ตื่นเช้ามาเอาพระอาจารย์พระอาจารย์ไม่ได้ไปไม่ไม่รับกิน่นนิมนต์ที่ไหนนหว่าอะไรเงี้ยหนูหนูก็เลยหนูหนูมานั่งคิดเอ้ยหรือว่าคือช่วงหลังหนูหนูทานเยอะไปไม่รู้แล้วมัน มันฝันฝันเยอะแต่ว่าฝันฝันดีตลอดเลยนะคะอืาทีนี้กันเดี๋ยวไม่ไม่ได้เข้าสมาธิแล้วก็อยาฝันเยอะอ่าเพราะนะ่ะหนูว่าหนูคงอ่อนนะเพราะว่าช่วงหลังหนูหนูนั่งทํางานหลายตัวจนดึกอะคะ่ะเลยทํา ใ, ให้ไม่นั่งสมาธิตอนกลางคืนน้อยถ้าเข้าสมาธิจิตมันจะเนี้งแล้วเวลา น, า น, านอนมันจะไม่ค่อยฝันนั่นแหละค่ะนั้นเดี๋ยวต้องต้องไปเพิ่มใหม่นะจะค่ะอืมค่ะแค่นี้ค่ะ อ่าถึงฮะคุณปนามอันนี้อยู่เซเลมออเรกานอะยู่แค่กราบนมัสการเจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะอยู่เซเลมออเกาน์เจค่ะอที่ออเรกาน์เขามีเมือนเอลวิสชื่อเอลวิสเด้อเลยมีไหมหนูจำไม่ได้ค่ะหนูนนก็จะเรียเล็กๆเนี่ ย, ยค่ะดี<อ>๋ยวต้องไปหาดูเจ้าค่ะ <c oughs> เอเอเข้ามากราบนมัสการหลวงพ่อก็ยังปฏิบัติอยู่เจ้าค่ะแล้วก็ ตอนนี้ก็อได้ไปอยู่ที่วัดเดยอะขึ้นจ้ะค่ะก็คือได้ไปปีกวีเวกเยอะขึ้นจ้ะค่ะไปปฏิบัติวัดเลยนะจ้ะค่ะพอดีว่ารู้จักแม่แ ม, แม่ที่อยู่ทางบิบิลตันนะท่านมาทุกทุกเดือนก็เลยบอกว่าถ้ามาเมื่อไหร่ให้ชวนหนูด้วยหนูจะได้มาอยู่ด้วยจ้ะมีเพื่อนไปได้วยกันด้วยจ้ะค่ะพอดีว่าเมื่อก่อนเขาก็ปฏิบัติกันอยู่ช่วงวีคเอ็นแต่ว่าช่วงนั้นหนูทํางานแต่ตอนนี้ไม่ต้องทํางานแล้วก็เลย เพิ่มขึ้นเจ้าค่ะก็ไม่เคยปล่อยเวลาให้ว่างเจ้าค่ะหลวงพอ่อตอนนี้ก็ปฏิบัติเพิ่มขึ้นสงบมากขึ้นก็ทนจากการเจ็บปวดจากทางกายนั่งถ้าปวดหนูก็นั่งจนหายปวดแล้วก็สงบได้นานขึ้นเจ้าค่ะหลวงพอ่อปฏิบัติต่อไปเจ้าค่ะเนี่ย กับน้องน้ำในคำสั่งสอนบบปฏิบัติอยู่สม่ำเสมอจ้าค่ะจ้าจ้าเชื่อ่าไปต่อคุณคุณปุ้ยใช่คุณปุย้ปยพระสมเบิร์กัติเจ้าค่ะพระอาจารย์คุณปุ้ยเองค่ะรายงานตัวค่ะตัวจริงของจริงนั้นไม่ใช่อะรมา <c oughs> โดยจริงของจริง mm hmm. พระอาจารย์โยมจะมารายงานตัวว่าหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาโยมปฏิบัติดีมากปฏิบัติชอบมากแต่แต่เมื่อเมื่อก่อนวันพระหนึ่งวันโยมอ่ตื่น่ะ เออคือยมอ่ะจะไม่ได้ตั้งนาฬิกาปลุกหรอกแต่โยมจะบอกกับพระพุทธเจ้าตอนตอนนั้นคืนว่าขอให้ยมได้ตื่นตีสองกว่าตีสามมาปฏิบัติธรรมนะแล้วยมก็ตื่นได้จริงๆเิโยมตื่นขึ้นมาคือมันมันไม่ใช่จิตวุงแต่งนะพระอาจารย์คือยมส่องกระจกแล้วยมไม่เห็นตัวโยมอ่ะแต่โยมเห็นผู้หญิงผมยาวสีดำ เอิดเรื่องนี้มันเคยเกิดเมื่อห้าปีที่แล้วโยมก็เห็นจนจนโยมครั้งนั้นโยมเกือบจะปากระจกเ อ, อทิง้งในนี้โยมก็เลยว่าเอ๊ะหรือว่าจะเป็นดวงจิตใดที่จะมาขอบุญโยมโยมก็เลยนึกในใจว่าใครก็ไม่รู้ที่จะมานะขอให้ขอให้เธอได้บุญไปนะเออโยมก็กลัวๆในใจนึงอ่ะโยมก็กลัวแต่ใจจิตหนึ่งโยมก็ว่า ไม่มีเป็นไรเว้ยเราอยู่กับพระผู้เจ้าไม่มีใครทำเราได้โยมก็บอกเป็นสิิกับตัวเองอย่างนี้ค่ะพระอาจารย์แต่โยมเดบความโกได้เปลาคิดว่าได้เพราะว่าท่านอาจารย์บอกว่าท่านอาจารย์สอนบอกว่าเห็นก็รู้ให้ให้มันเห็นแล้วพยายามมองแล้วก็จําว่ามองว่าเป็นอย่างนี้แล้วก็รู้จะให้ปล่อยนี้มันผ่านไปโยมก็คิดอย่างนั้นแต่โยมก็เลยคิดว่าถ้าจะ คุณจะมาหลังฟานหรือจะมาอยู่อะไรอย่ามาอยู่นะแต่ว่าจะมาเอาบุญก็เอาบุญไปแล้วก็ไปหมดเวรหมดกรรมกันไปอะไรอย่างเงี้ยยมก็บอกในใจแต่ยมก็คิดว่าอาจจะเป็นน้องที่เขาเสียชีวิตที่โยมเคยไปช่วยเขาเรื่องมะเร็งและเขาพยายามที่จะสื่อสารกับโยมเพราะเขาไม่ได้มาบอกลาโยมโยมก็คิดดีเอาไว้ก่อนนะคะอ่ะแล้วโยมก็ไม่มีอะไรแต่เมื่อคือนเนี้ยโยมฝันน่ะแปลกๆท่านอาจารย์ โยมฝันว่าโยมไปที่ไม่ปกติโยมเป็นคนไม่ฝันโยมฝันว่าอยู่ริมทะเละแล้วมันเหมือนกับมันจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้มันเป็นทะเลที่เมืองไทยอะนะโยมก็ไม่รู้เหมือนกันโยมก็เลยไม่ก่อยไม่ค่อยกล้าอยากจะเน o โยมเมืก็เลยปล่อยผ่านแต่โยมนั่งสมาธิยาวและโยมก็ฟังพระอาจารย์ด้วยแล้วก็ฟังหลวงตาด้วยพอเวลาวันไหนที่โยมจิตไม่มั่น โยมจะมีคลิปอยู่คลิปหนึ่งของหลวงตาบัวซึ่งโยมจะฟังแล้วแบบเพราเสียงเสียงเสียงหลวงตาแกแบดเสียงดุดุ่ะและเนี่ยผิดมันจะมันจะสงบง่ายไงฮะเนี่ยโยมก็ทําตามที่พระอาจารย์สอนว่าให้เดินถ้ากลัวผีไม่ไปเดินนอกบ้านให้เดินจงกรมอยู่ในในครับในบ้านแต่ให้เดินมากะประมาณสิบเก้าเนี่ยโยมก็เดินไปเดินมาวนวนวนวนวนเนีน่ยเอออย่างเงี้ยแล้วโยมก็มานั่ง กันไม่ให้แบบว่าเราง่วนอนทีนี้เมื่อยมฟังหลวงตาเมื่อเช้านี้งเมืม่อวานเมื่อวานตอนเช้าค่ะยองฟังท่านท่านก็บอกว่าอี่ก็นั่งสมาธินี่ยแหละแล้วยมก็ฟังแล้วแบบท่านก็บอกว่าถ้าง่วงก็นอนเลยย <laughs> อง นอนลงไปแล้วนอนสมัติขอโทษค่ะแต่แต่โยมก็รู้สึกดีไม่มีปัญหาอะไรใจมันว่างๆเ ง, งี้ยงๆค่ะโอเคดีมากข <อ S 1> ็ขอให้ว่างๆไปตลอดนะโยมก็คิดว่าโยมเดินทางมาถูกแล้วและโยมก็ไม่ไปทางไหนแล้วค่ะก็กราบขอพระอาจารย์อย<ช>่างสูงที่<ช>มีตาตยยกับโยมโยมก็ปฏิบัติบูชาทดแทนบุญคุณพระอ า, าจารย์เจ้าค่ะ พอาจารย์ก้าหนะ้าขึ้นไปเรื่อยๆนะโยมเป็นคนดีมากเลยพระอาจารย์โยมไม่เล่นหวยนะหวยไทยนะนี่หวยลานะวเปล่าๆหวยลาวาก็ไม่เล่นค่ะโยมเป็นคนดีค่ะโยมลอตโต้ otto, แต่ลอตโต้ยุโรปค่ะโ อ, ะอะ้ไม่เป็นไรตาใจโอเคสาธุดาขอให้พระอาจารย์ทัดขันแข็งแรงเจ้าค่ะโยมโ <Yeah. S 2> ยมขอ ขอพลังขอให้โยมรอดปลอดภัยจากอันตรายทาั้งปวงเจ้าค<ห>่ะขอให้ขอให้ทุกทอกโตโบ่อยบ่อยสาธุเจค่ะขอให้คุณคุณอาจารย์สาธุคุณปูเป้ต่อเป็นยังไงตอนนี้ต้องรักษาตัวอยู่หรือเปล่าหายแนละ้วหายดีแนละ้วอาจรเจ้าค่ะก็ ของหนูสหรับร่างกายก็ติดตามอาการตามแพทย์นัดค่ะพระอาจารย์แต่สาหรับทางใจต้องฟังเทศพระอาจารย์ฟังธรรมทุกวันค่ะพระอาจารย์แล้วก็เข้าสมาธิประจำค่ะพระอาจารย์ mm. เพราะว่าเราเห็นว่าอุ่มเป็นเหมือนอาหารใจอย่างดีเลยค่ะพระอาจารย์แล้วก็พอได้ฟังธรรมพระอาจารย์เป็นธรรมจริงๆที่แบบมีแรงเยอะมากพระอาจารย์จนแบบลุยงานจนลืมไปว่าร่างกายพังเลยค่ะพระอาจารย์ ม, มันไม่ค่อยรู้สึกทางกายค่ะพระอาจารย์หนูก็เลียว่าโอ้เพิ่งสัมผัสนะคะพระอาจารย์ว่าของดีทางใจอ่ะคะ่ะได้มาเจอกับตัวเองไม่ลองไม่ลองใช้ธรรมะของเราเองมัาง ม, นะ ม, มีแต่แบบลุยจนลืมมันไม่เหนื่อยคือพระอาจารย์คะประเด็นคือหนูแบบพยายามจับตรงที่ว่าคือความคิดของเราอะค่ะพระอาจารย์เหมือนความฝันนะคะ่ะมันชอบอ เหมือนลิงอะค่ะพระอาจารย์ที่แบบพาเราไปคิดนู่น ค, คิดนี่ที่ยังไม่เกิดขึ้นนะคะพระอาจารย mm ์โ hmm. ชคดีที่ได้ของดีทางใจที่พระอาจารย์บอกว่าให้มีสติอยู่กับตัวเองอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. อยู่กับพุโทโธไม่ให้คิดเยอะเพราะว่าประเด็นคือความคิดเรามันเหมือนลิงพาคิดแล้วมันยังเหตุการณ์ยังไม่เกิดขึ้นนะคะพระอาจารย mm ์ห hmm. นูก็เลยแบบแล้วก็ต้องฟังทำจากพระจัดพระอาจารย์เขาเหมือนแบบ กัรฟังธรรมเหมือนเป็นอาหารใจเลยค่ะก็เลยบอกว่าถ้าอ่าถ้าเราขาดทางธรรมอย่างเงี้ยค่ะเหมือนคนอดอยากทางใจนะคะ่ะพระอาจารย์ mm hmm. ก็เลยแบบเหมือนใจจะไม่ค่อยมีแรงแต่ว่าร่างกายถึงจะอ้วนก็ตามนะคะ่ะพระอาจารย์ mm hmm. ถึงกินเยอะแต่ว่าใจหมดแรงอย่างเงี้ยค่ะเหมือนขอทานทางใจอะคะ่ะพระอาจารย์ mm hmm. หนูก็เลยแบบว่าหนูก็ฟังธรรมอย่างเดียวเพิ่มใจให้แบบมีพลังเยอะๆเลยละคะ่ะอาจารย์กลายเป็นว่ามีแรงเยอะมากคะ่ะน mm ี hmm. ถามอาจารย์อาจลองของเราเองบ้างอาจพิจารณาตายรักอยู่บ่อยๆต่อไปเราจะใช้ธรรมของเรานี่ดับความทุกข์ของเราได้้็ค่อะอุภัยอาจารย์หนูก็เลยบอกว่าแต่ละอย่างที่ผ่านเข้ามาก็ต้องแบบมีสติแล้วก็มีปัญญาในการทําเลยอะค่ะว่าประโยชน์แต่ละอย่างที่เจอจะมีผลยังไงอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์มันทําให้บบมีสติทุก ก้าวเลยล่ะคะ่ะพระอาจารย์อ yes. สติสําคัญว่ากต้องม่สติตลอดเวลาใช่เลยคะ่ะพระอาจารย์เพราะว่าสติทุกก้าวเดินต้องอยู่กับตัวเองอย่างเงี้ยคะ่ะพระอาจารย์มัน mm hmm. ก็เลยโอ้โชคดีมากเลยคะ่ะได้ของดีจากการฟังธรรมด้วยค่ะพระอาจารย์แล้วก็ด <Okay. S 2> ุยปฏิบัตฟังไปเรื่อยนะแล้วคะ่ะพระอาจารย์ไปไดค้คุณหล้าตอบคุณหล้ามีคําถามไหม กราบแมัสมัชการค่ะพระอาจารย์มีคําถามทั้งหมดห้าคำถามจากทางเฟซบุ๊กและยูทูบเจ้าค่ะกราบแมัสมการพระอาจารย์ครับถ้าจะนั่งภาวนาสามารถนั่งภาวนาได้เลยไหมครับจําเป็นต้องกราบพระสวดมนต์ก่อนไหมครับไม่จําเป็นอ่ะแล้วแต่เราจะเซจะกราบก็ได้จะสวดก็ได้จะนั่งเลยก็ได้เพราะเป้าหมายก็คือการนั่งนั่นเองแต่บางทีบางคนก็ยังติดเอ่อ ติดพิธีกรรมอยู่ต้องตั้งน้ำมูก่อนต้องกราบพระก่อนต้องตั้งสัจจะอธิษฐานก่อนรันนี้ก็แล้วแต่แต่คนเราไม่ต้องไปไม่ต้องไปเถงกับใครเรื่องราวเหล่านี้เป็นเรื่องของส่วนตัวใครอยากจะทำอะไรก็ได้แต่เป้าหมายหลักของการปฏิบัติก็คือการนั่งนั่งดูลมหรือนั่งนั่งภาวนานั่นแ่ะ คำถามต่อไปการที่เราเลี้ยงปลาไว้ดูเล่นแล้วปลาเป็นโลกตายเรื่อยๆเราจะบาปไหมครับคือไปจัาครั้งเขาไว้มันก็บาปนะเวลาไม่ไปล่อยก็อยู่ตามอิสระถ้าเราเป็นปลาบ้างแล้วถูกเขาจับมาครั้งอยู่ในตู้บ้างเราจะรู้สึกอย่างไรวเวลาทําอะไรกับใครเต้องย้อนกลับมาที่ตัวเราว่าถ้าเกิดเราเป็นเขาแล้วเข้ามาทําเราอ่ีเราจะรู้สึกอย่างไรเออฉะนั้นอย่าไปทํา อย่าไปเบียดเบียนสัตว์เลยปล่อยให้เขาอยู่ตามธรรมชาติดีกว่าทำไมต้องให้เขามาให้ความสุขกับเราเรามาหาความสุขจากการมีความเมตตาดีกว่าอย่าไปเบียดเบียนพู้อื่นในการเลสัตว์แบบนี้ก็ถือว่าเป็นการเบียดเบียนเขานอกจากว่าเขาอาสายสมครว่าเขาไม่อยากจะไปไหนเขาอยากจะอยู่ในตู้ก็ลับไปแต่เราไม่รู้นะว่าเราไม่ได้ทำอะไรเขา ให้เขาเล่ว่าจะอยู่หรือจะไปครบบุญถามต่อไปการทําบุญที่ได้อ น, นิสงส์สูงที่สุดคืออะไรครับมันก็มีบุญสามขั้นะนะทำทานก็ได้ได้อ น, นิสงส์ของทานทํารักษาศีลก็ได้อ น, นิสงส์ของศีลภาวนาก็ได้อ น, นิสงส์ของการภาวนาขึ้นอยู่กับว่าเรามีกําลังจะทําแบบไหนมากกว่า เพราะว่าถ้าเราอยากจะได้มากบ้างมากแต่เราไม่มีกําลังมันก็ทําไม่ได้อยู่ดีบุญที่สูงสุดก็คือการภาวนาลองลองมาก็คือการรักษาศีลองลองมาก็คือการทําบุญทําทานแต่ันอยู่ที่กําลังของเราว่าเราสามารถทําในขั้นไหนได้เราก็ทําในขั้นนั้นไปก่อนอยาวความโลภมาเป็นตัวอตัวตัวที้นำเอาที่โลภแล้วมันทําไม่ได้มันก็จะไม่ได้เกิดประโยชน์อะไร ช่วย ท, ทำแรงบุญที่น้อยกว่าแต่ได้อย่างดีกว่าเก็บเก็บวันวกว่า น, น้อยดีกว่าพยายามที่จะไปเอาวันทีเยอะๆเลยในเมื่อเราไม่มีกําลังที่จะไปเอามันได้คำถาต่อไปจากคุณศรีวิไลกราบเรียนถามค่ะการนั่งสมาธิเราจะทราบได้อย่างไรคะว่าสภาวะที่เกิดเป็นฌานอะไรคะ่ะกราบขอบพระคุณค่ะอไม่ต้องรู้หรอกว่ามันเป็นฌานอะไร นั่งไปเพื่อให้ใจมีความสุขยิ่งสุขมากเท่าไหร่มันก็มันก็แสดงวิชาญมันก็มากขึ้นไปเรื่อยๆเท่านั้นเองอย่าไปสนใจตอนนี้เราอยู่ชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามนี่อย่าไปถ้าไปทํำนี้มันจะไปไม่รอดมันจะติดอยู่เอาถามตัวเองอยู่แลตอนนี้เราอยู่ชั้นไหนแล้วว่า <c oughs> นี่เวลานั่งสมาธิอย่าไปสนใจให้อยู่กับลมไปอยู่กับพุโทโธไปแล้วมันจะพาเราไปเอง เวลามันมีความสงบมีความสุขก็ขให้รู้เนี่ยอ๋อมันสงบแบบนี้สุขแบบนี้เทาน้นแะพอเราต้องการความสุขเราไม่ต้องการชื่อของชานว่าคั้นี้ชื่ออะไรชั้นที่หนึ่งหรือชั้นที่สองไม่ต้องไปสนใจนสนใจเดี๋ยวแต่ตัวตั ว, ต, ว, ต, วตัวชานคือตัวความสงบเอนนี้มันสงบแบบนี้นสงบนานกว่า น, นี้สงบมากกว่า น, นี้น่ให้รู้ตามความเป็นจริงก็พอ คำถามสุดท้ายกราบเรียนถามคะ่ะสัจจะบา ร, รมีกับอธิษฐานบา ร, รมีต่างกันอย่างไรคะอธิษฐานคือการตั้งเป้าเนีตั้งเป้าว่าเราจะทําอะไรนี่อธิษฐานเช่นวันนี้คืนนี้ตั้งเป้าว่า จ, จะมาฟังเทศน์ฟังทรรที่ในห้องซูมนี้ถ้าเราไม่ตั้งอธิษฐานไม่ได้ตั้งเป้าไว้เราก็อาจจะไม่ได้มาอาจจะไปดูทีวีหรือเพื่อนมาชวนไปทํานู่นทํานี่เราก็อาจจะไปกับเขาก็ได้ แต่ถ้าเราตั้งเป้าแล้วเราก็บอกวเวลาใครมาชวนไปไหนเร า, าต้องปฏิเสธวราว่าเราเรามีนั่นการตั้งเป้ากเหมือนกันการกา ร, การมีนั่นมีนั่นว่าเราจะทำอะไรที่ไหนแล้วสัวจจะก็คือการไม่เปลี่ยนใจจริงใจถ้าเราตั้งเป้าแล้วเราไม่มีสัจจะเราก็จะเปลี่ยนใจได้ถึงเวลาเพื่อนมันชวนไปนู่นมั น, นี่ก็อาจจะเปลี่ยนใจไปก็ได้ไปกับเพื่อนก็ได้ แต่ถ้าเรามีสัจจะเราไม่เปลี่ยนใจเพื่อมาชวนให้ไปโน่นมานี่แล้วก็ต้องปฏิเสธไปว่าเราตั้งสัจจะแล้วเราจะต้องไปมาฟังเทศฟังธรรมยังถ้าอยากจะทําอะไรให้สําเร็จเราต้องมีอธิษฐานในสัจจะแล้วก็มีวิริยะความขยันที่จะทําในสิ่งที่เราต้องทําแล้วก็มีความอดทนต่อความยากลําบากที่เราจะต้องเผชิญยังถ้ามีสีบาลมีนี้เราก็จะสามารถทําอะไรได้สําเร็จอย่างแน่นอน ทำทามหมดแล้วเจ้าค่ะโอเคก็เวลาก็ใกล้หมดพอดีสำหรับคืนนี้ก็ขอให้ท่านต้องนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ